อาจารย์ครับเก่ารอนสการ์ครับผมยรรณพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับเมลี่คริสต์มาสครับพรอาจารย์ <c oughs> <c oughs> วันนี้ตรงวันคริสต์มาสเลยครับ <c oughs> อา่อาแล้วนนี้เราชันต์ครอ ส, ส, ส, าสมา <c oughs> ครับผมวันนี้ทางทีมงานมีการแจกหนังสือลงตาครับพระอาจารย์ครับสองเล่มกายาคตาสติเล่มหนึ่งครับรอาจารย์แล้วก็วีโอสดอันวิเศษอีกเล่มหนึ่งครับอาจารย์ครับ ดีหนังสือลุงตาเป็นหนังสือธรรมะแท้ๆล้วนๆมีคุณมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามครับอาจารย์ครับอาจารย์วันนี้คนไปใส่บาทเยอะไหมครับอาจารย์ครับประมาณสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดคนโอ ก, ก็เยอะไม่น้อยเลยนะครับอานนับเยอะขึ้นเรือเ่อยๆสี่้อยิบเอ็ดอือก็เดี๋ยวนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะสามร้อย ขึ้นไปทำน้อยกว่าคนธรรมดาก็สองน้อยกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเทศกาลคนงานอจะทำบุญกันมากหน่อยก็ดีพอาจารย์ครับไม่า่างว่าไปเลยไม่มีบุญพระอาจารย์เดี๋ยววัน วันศุหนะ้าผมก็ไปไปตามพระอาจารย์มิทบาตดครับโ อ, อกาสครับผมวันศุกรวันทียิบเก้าสามสิบยีิบเก้านะยี่สิบเก้าครับอาจารย์ครับอืก็วันหยุดยาวสี่วันใช่ไหมยี่สิบเก้วันที่ไหนนะครับครับผมน <c oughs> ครับอาจารย์ครับนี่อาจารย์เมื่อเช้านั่งอ่านธรรมะอยู่เจอคําของหลวงปู่สินบอกว่ามะรณะงเมผวิสติครับ ความตายจะมีขึ้นแก่เราแน่นอนพอนได้ยินคํานี้ก็รู้สึกใจเบาดีครับอาจารย์ก็เลยอยากกรขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความให้อัญญา ก, กับพวกเราได้ครับก็มันก็มันไม่ต้องขยายแลย้วมันก็ต้องเกิดขึ้นกับคนเราทุกคนเห็นแต่ว่าบางคน ร, รู้หรือไม่รู้ก็ท่านั้นเองบางคนทั้งๆที่เกิดมาแล้วจะต้องตายแต่ไม่รู้กันเพราะไม่คิดถึงกันลืมเลืมความตายกัน ก็หลายคนก็จะอยู่ไปเรื่อยๆแต่พอเราไปเจอเหตุการณ์เห็นคนตายกันทั้งข้างหนังมันถึงจะมีอะไรมันสะกิดใจให้ฉุกคิดขึ้นมาเพราะคนก็ไม่คิดนะเห็นว่าคนอื่นตายก็มันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราไปยังดูเราก็ยังอยู่ต่อไปเพราะเราแต่ถ้าคิดซะหน่อยเหมือนพระพุทธเจ้านะั่นที่พระเจ้าเสด็จออกไปเที่ยวนอกพระราชวัง แต่บ อ, อกไปเนี่ก็ได้ไปเห็นเทวดาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็อาหารเล็กที่พาไปก็บอกว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยนะอันนี้นะเป็นความจริงที่มันเหมือนพายุที่มากระทบกับความหนุมของเราคนเราถ้าไม่เคยคิดไม่เคยอาจจะไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องแก่เจ็บตาย เห็นคนอื่นแก่เจ็บตายแต่ก็ไม่เคยย้อนเข้ามาถึงตัวของตัวเองอย่างจริงจังแต่ถ้าองค์ปณิยโกก็เห็นอะไรแล้วก็น้อมกลับเข้ามาที่ตัวเราเหมือนดูกระจกไงดูคนอื่นก็เหมือนกับดูตัวเรานะพอะตัวเขาตัวเราร่างกายเขากับร่างกายเรามันเหมือนกันทุกอย่างการแก่เจ็บตายเหมือนกันหมด <c oughs> สำหรับบางคนก็รับไม่ได้เห็นแล้วก็เกิดความไม่สบายใจไม่อยากจะคิดถึงมันพยายามปัดปดมันไปพยายามเลิกมันไปแ <c oughs> สดงว่าความหลงมีมากความหลงความอยากจะอยู่ในโลกนี้ไปไเรื่อยๆมันม้มากจนทาให้ไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมคิดถึงมันแต่สำหรอบคนบางคนที่เป็นคนที่ ม, มีความ ยอมรับความจริงได้เห็นความจริงก็ยอมรับความจริงได้เขาก็จะใช้ความตายนี้มาเป็นเครื่องสอนเตือนใจเขาน่าจะชี้ปัญหาของเขาว่าตอนนี้เวลาที่ยิดถึงความตายนี่เขามีความทุกข์ใจจะทำยังไงที่จะทําให้ความทุกข์ใจนี้หายไปได้เหมือนกับเจ้าชายสิทธัตถะที่ พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ก็อยากจะหาวิธีว่าทำอย่างไรที่ทำให้ใจของไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็เห็นนักบวชนะเห็นว่านักบวชนี่เป็นผู้ที่สวรางหาคําตอบหาวิธีที่จะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายก็เลยทำให้พวกมีมทาง <S <S เห็นทางว่าอมีทุกข์ก็มีทางที่จะดับทุกข์ได้ อะไรออกบทในที่สุดก็ออกบวญแล้วก็ศึกษาปฏิบัติทาวิธี <c oughs> แต่ในที่สุดก็พบวิธีที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายไดอ้อันนี้เป็นสำหรับคนที่ยอมยอมรับความจริงแล้วยอมยอมรับว่ามีปัญหาความทุกข์ใจของเรานี่เราทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตาย ทำไงจะทําให้เราไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายก็ต้องไปหาหาวิธีสอนใจหาวิธีทําใจให้ยอมรับความจริงอันนี้ให้ได้ถ้าสอนใจรู้จักวิธีทําใจให้ยอมรับได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็อยู่กับมันไปเพราะว่าเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วมันก็จะ สามารถแยกใจออกจากร่างกายได้สามารถเห็นว่าร่างกายกับใจนี่เป็นคนละคนกันร่างกายแก่เจ็บตายแต่ใจไม่ได้แก่เจ็บตายไปกับร่างกายใจเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายไม่มีความแก่ความเจ็บความตายในในใจผู้ที่แก่เจ็บตายก็ไม่ใช่ใจใจเป็นเพลงแต่ผู้ที่มามาเชื่อมต่อกับร่างกาย แล้วก็สั่งให้ร่างกายทําอะไรตามความอยากของใจเท่านั้นเองถ้าศึกษาและปฏิบัตินั้นก็จะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจว่าเป็นคนละคนกันถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัตนินี่เราจะเหมาว่าว่าเป็นคนอยู่ด้วยกันเป็นคนเดียวกันออใจอยู่ในร่างกายใจพึ่งสั่งการให้ร่างกายทํอาอะไรต่าง ร่างกายเป็นอะไรใจก็เป็นอะไรไปกับร่างกายด้วยใจก็เลยทุกข์พอเห็นนี้แต่หลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติในในวิเคราะห์ด้วยได้แยกใจออกจากร่างกายด้วยการภาวนาด้วยการฝึกสมาธินี่เป็นการแยกร่างกายออกจากใจชั่วคราวเวลาใจสงบนี้ร่างกายกับใจนี้แยกออกจากกัน มันก็เลยทำให้เข้าใจว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วเวลากลับเข้ามารวมตัวกันก็ต้องคอยเตือนใจสอนใจว่าร่างกายไม่ใช่เราเราเพียงแต่มาอาศัยร่างกายพาเราไปไหนไปไหนทำอะไรตามที่เราต้องการนั้นเองแต่ร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงอยู่ภายใต้กฎของใจลับของไม่เที่ยงเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไป มันทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเช่นต้นไม้อะไรต่างๆอเนี้มันก็เป็นการเกิดขึ้นด้วยการรวมตัวของธาตุสี่คือดินน้ําลมไฟแล้วมันก็อยู่ได้ระยะหนึ่งเจริญเติบโ ต, ตแล้วมันก็เริ่มเข้าสู่ความเสื่อมแล้วในที่เสุดมมันก็ล้มตายไปแม้วก็จะเป็นอะไรก็ตาม ท, ทั้งของที่มีชีวิตและของไม่มีชีวิต เป็นของที่เราผลิตกันขึ้นมารถยนต์เลยอะไรเลยบ้านช่างเลยมันก็เก่าสร้างขึ้นมาใหม่ๆแล้วมันก็เริ่มเก่าไปที่เวลานานมันก็เริ่มผุพังไปตามการตามเวลาเพราะนี่คือธรรมชาติของท่านที่มันเวลามันมารวมตัวกันแล้วมันจ ะ, จ ะ, จ, ะจะแยกออกจากกันไม่ช้าก็เร็วเวลาแยกออกจากกันสิ่งที่มันเป็นอยู่ก็จะเสื่อมแล้วก็จะผุพังไป นที่สุดถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันก็เป็นเพลงการรวมตัวของธาตุสี่ดินน้าลมไฟเท่านั้นเองที่บอว่าตัวเราของเรานี่ก็คือความหลงของใจเพราใจออกมาเวลาร่างกายคลอดออกมาใจก็มากับร่างกายเลยคิดว่าใจกับร่างกายเป็นคนเดียวกันเลยอะไรไปหมาเท่านั้นเองไปตุา เหมือนคนโบราณที่ตู่ว่าโลกนิแดนเห็นโลกมันเป็นแดนไปไหนมันก็แบนๆเวลาคิดว่าโลกนี้แบนมีขอบเมอะไรถ้าไปไกลๆเดี๋ยวอาจจะตกออกขอบโลกไปมันกับโต๊ะพอพ อ, พอไปถึงขอบโต๊ะก็จะตกลงออกจากโต๊ะไปคนสมัยก่อนจงไม่ค่อยกล้านั่งเลยออกไปไกลกลัวเดี๋ยวถ้าไปถึงขอบ ความโลกว่าจะตกออกอย่ากโลกไปแต่มีนักวิทยาศาสตร์นักคิดด้วยเหตุและผลก็วิเคราะห์ดูว่าโลกมันแบนถ้ามันแบนจริงเรือที่เข้ามาจากในทะเลนั้นจะต้องเห็นทั้งตัวเรือและทั้งตัวเสาพร้อมๆกันแต่นี่ทำไมเห็นแดาเสาโคดงก่อนเห็นธงก่อนเห็นเสาโคดงแล้วก็ค่อยๆมาเห็นตัวตัวเรือ ก็เพราะว่าพื้นผิวที่เราวิ่งมานี่มนมันโคง้งเว้าเหมือนกับคนที่ขี่ม้าข้ามเขามานี่เราจะเห็นคนขี่ก่อนจะเห็นตัวมา้าเราจะเห็นส่วนสูงก่อนเพราะเขามันก็โคง้งถ้าถ้าเขามันไม่โคง้งถ้าเขามันแบนก็ต้องเห็นทั้งตัวคนขี่ทั้งตัวม้าพร้ อ, ร อ, รอมๆกันข เ, เขาเลยวิเคราะห์ว่ามันรอบนี้ก็ต้องกลม เหมือนกับดวงดาวต่างๆที่เขาดูบนท้องฟ้าก็ไม่มีดวงดาวดวงไหนที่มันแบนเลยมันก็กลมหมดพราทิ่ยดวงจังนทร์อะไรนก็กลมเลยเขาก็เลยเชื่อว่ามันไม่ไม่แบนแล้วกเขาก็เลยกล้าพิสูจน์ด้วยการเอาเรือออกไปน้ำเรือออกไปไกลเท่าไหร่ก็ไม่เจอขอบทะเลสักทีกลับไปเจอทวีปใหม่ทวีปบัมเริกาอะ้รถ้า วิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยมันก็กลับมาจะนุดที่เดิมวงกลมใช่ยหมเราเริ่มจากจุดนี้แล้วเราไปเราตรงไปเรื่อยๆแล้วไม่กลับมาเนี่ยเดี๋ยวมันก็พาเรากลับมาที่จุดเดิม mm hmm. เขาก็เลยพิสูจน์ได้ว่าโลกนี้มันกลมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราวิเคราะห์เราดูการเกิดของร่างกายมันก็ามาจากธาตุของพ่อของแม่เรารวมตัวกันธาตุดินน้ำลมไฟ แล้วมันก็อาศัยธาตุของแม่ที่แม่รับเข้าไปเป็นทางอาหารคืออาหารก็เป็นธาตุทั้งนั้นทำมาจากดินน้าลมไฟแล้วก็เข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายของทารกที่อยู่ในร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้นมาให้มีอวัยวะสันสองพอเจริญเติบโตเต็มที่ก็คลอออกมาเอาอกมาก็เติมธาตุทันทีเออกมาก็ต้องหายใจเองเติมธาตุลมแล้วก็เติมธาตุน้ําหิวน้ําหิวข้าว แม่ก็บ้อนนมบ้อนธาดดินธาดน้ํำให้ลูกธาดไฟก็ก็มีอยู่ในตัวแล้วก็อยู่ในตัวในในในบ้านในบ้านก็ต้องมีอากาศมีอากาศที่อบอุ่นไม่ไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปร่างกายทั้งอยู่ยากถ้าหนาวก็เอาผ้ามาห่มรักษาอุณหภูมิถ้าเป็นเรื่องของธาตุทั้งนั้นนะถ้าเรามองวิเคราะห์แบบนักวิทยาศาสตร์ร่างการนี้มันเป็นธาตุมัน ทำจากธาตสี่นิ้นลงไฟแล้วก็มาเป็นอวัยวะต่างๆเป็นผมเป็นขนผมเรานี่ก็เหมือนต้นไม้นะต้นไม้มันก็งอกขึ้นมาจากดินนะผมเราก็งอกขึ้นมาจากศึกษาเราศรีรษาเราก็เป็นเหมือนดินใ น, นดินในศรีรษาเราก็มีธาตุน้ามีเลือดมีอะไรมาคอยหล่อเลี้ยงทําให้อวัยวะเช่นผมมีเว็บนี่มันงอกนะ ง, งอกยาวขึ้นมาได้ด้วย ทุกอย่างมั น, นมัเ น, เ ป, นเป็นการทํางานของธาตุตัวเราอยู่ตรงไหนไม่มีเลยถ้าเราแยกอาการทางสารเสี่ยงสอกมาแยกออกมาแล้ว เ, าเาวางไว้เป็นกองๆแล้วหาดูว่าตัวเราอยู่ตรงส่วนไหนของอาการสารสงสองนี้ไม่มีมันเป็นการตู่ของใจเราไปตู่มันนั้นเราต้องทําอย่างนี้ต้องวิเคราะห์แบบนี้แล้วเวลาที่ร่างกายมันตายไป เราตายเป็นยันไงบาเราก็ไม่เราก็ไม่ได้ตายเพราะเราไม่ได้อยู่ในร่างกายร่างกายมันก็แยกชิ้นส่วนกันไปแยกธาตุดินน้ำลมไฟออกจากกันไปผลตายปั๊บธาตุไฟธาตุลมก็ไปก่อนลมไม่เข้ามีแต่ลมออกตามด้วยธาตุไฟร่างกายก็เย็นเฉียบเราก็ตามด้วยธาตุน้ำออกมาตามทวนรกลาง ยิ่งไไม่ถ้าไม่ไปเผาไม่ไปฝังร่างกายต่อไปมันก็ผุนะผุแห้งกรอบผุพังกายเป็นดินไปนในที่สุดมันต้องพิจารณาอย่างนี้มันถึงจะเข้าใจว่าเร่างกายไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราเราไมไ่มีอยู่ในร่างกายเราผู้รู้ผู้คิดมันไม่มีที่อยู่ในในร่นางกายทส่วนไหนเลยเรามาเชื่อมต่อกับร่างกายผ่านกระแสการรับรู้ของใจของเรา ที่เรียกว่าวิญญาณกระแสะนี้มันกระแสะสัญญาณวิทยุที่เราใช้ติดต่อกับมือถือมือถือที่ติดต่อกันเราต้องมีสัญญาณวิทยุใช่ไหมถึงจะติดต่อกันได้แต่สัญญาณวิทยุนี่เรามองเห็นไม่เห็นกับตาเรานแต่เรารู้เวลามีเสียงโทรเข้านี้เรารู้อ่าเรามีสัญญาณเข้ามาแล้วมัอนอย่างเข้ามาในเครื่องของเรนอันนี้ก็เหมือนกันใจนี้ไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นราได้ก็เพราะมี สัญญาณไปเชื่อมต่อกับตาหูจมูกนิ้งกายใจก็เลยสามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสที่ดักตาหูจมูกนิ้งกายมาที่ใจแล้วใจนี่แหละเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสชนิดไหนดีไม่ดีแล้วว่าเกิดความรู้สึกกับรูปเสียงกลิ่นรสถ้าดีก็เกิดสุขขึ้นมาถ้าไม่ดีก็เกิดทุกข์ขึ้นมาตลิดสเขาไม่ถนาความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมา แล้วก็ใจเป็นผู้สั่งให้จัดการกับลูกเสียงกิ่นรสที่ไปสัมผัสถ้าเห็นรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ดีก็บอกถอยดีกว่าบอกร่างกายหลบอย่าไปประชิญอย่าไปเข้าใกล้อันตรายเช่นเห็นงูเห็นสัตว์อันตรายมันใจก็สั่งการอนี้อยากเข้าใกล้ะแต่ถ้าเห็นเป็นเงินเป็นทองนี่ก็เข้าไปเลยหยิบเลยถ้าที่ให้มีการแจกเงิเนแจกทองนี่เข้าไปเลยไปรับเงินร <Yeah. S 1> ับทอง อันนี้ใจเป็นผู้สั่งการร่างกายไม่รู้เรื่องร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึ่งที่คนขับจะสั่งให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาให้ไม่พุ่งไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของร่างกายร่างกา ย, ม, ก ม, ม, ยมันไม่รู้หรอกมันเห็นอะไรมันได้ยินอะไรมันไม่รู้ด้วยผู้ที่รู้ ก, ก็คือใจที่ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่อีกโลกหนึ่งเราเรียกว่าโลกทิพย์ร่างกายกระจายนี้อยู่คนละโลกกัน อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายไม่สามารถไปเกิดขึ้นกับใจที่อยู่ในโลกหนึ่งได้ร่างกายอยู่ในโลกธาตุใจอยู่ในโลกทิพย์นี่ต้องวิเคราะห์ไปเรื่อยๆมันถึงจะเข้าใจงั้นเวลานั่งสมาธิใจก็ถอนออกจากร่างกายชั่วคราวใจก็ถอนวิญญาณออกจากตาหูจมูก น, นิ้วกายไม่รับเรื่เสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่รับเรื่องของร่างกายชั่วคราว แต่ก็สัตย์แต่ว่ารู้อยู่ตามลำพัมันต้องปฏิบัติด้วยเห็นจากสมาธิส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นจากการวิเคราะห์ด้วยปัญญาอีกส่วนหนึ่งมันก็จะเข้าใจแล้วก็จะรู้จักวิธีปฏิบัติเกี่ับร่างกายว่าที่ทุกข์ก็เพราะว่าไปอยากให้ใจให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะั่นเองถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็หยุดหยุดความอยากนี้ให้รู้เฉยๆไป เมือนกับตอนที่อยู่ในสมาธิร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเข้าสมาธิใจไม่ไม่มีความทุกข์เลยจะทุกข์ก็เฉพาะตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วมารับรู้ความเจ็บปวดจ็บป่วยของร่างกายแล้วก็เกิดตัณหากิเลสขึ้นมาวิภาวดตัณหาความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือความอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปมันก็เลยทําให้ใจทุกข์ขึ้นมาในี่ใจก็เข้าใจแล้วถ้าด้วยปัญญานี่คืออริยสัจ ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองอยากไม่มันแก่ไม่มันเจ็บไม่ใมันตายเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเราคิดว่าเราแก่เราเจ็บเราตายแต่ถ้าเราใช้ปัญญาและใช้สมาธิพิจารณาเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเราไม่อยากจะทุกกับร่างกายก็ปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายไปเราก็ทําใจเฉยๆถ้าเราฝึกสมาธิได้อุเบกขาเราก็จะสามารถทําใจให้เฉยได้ ไม่ไม่เกิดความอยากขึ้นมาร่างกายเป็นอะไรถ้าเราอยู่ในสภาพที่เราทําอะไรให้กับมันไม่ได้ช่วยมันไม่ได้ก็ต้องวางเฉยถ้ายังช่วยเหลือมันได้ก็ช่วยไปถ้ายังกินยาได้ก็กินรักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้ามันถึงขีดที่ทําอะไรไม่ได้นะหมอก็บอกทําอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันมันจะแยกตัวกันแล้วมันจะสิ้นสุดความสามัคคีของธาตุ่านั้น สิ้นสุดลงนะท่านมันจะเริ่มแตกสามัคคียากทางกันแล้วก็ป่ายมันเป็นปลาตามปรากฏตามปรากฏมันเหมือนปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศฝนมันจะตกเราก็ห้ามมันไม่ได้แดดมันจะออกเราก็ห้ามมันไม่ได้ร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้ให้มองอย่างนี้นะเราก็จะไม่ทุกข์กับมัน ฟังพระอาจารย์เหมือนจะมุ่จะละสากายะทิฐิได้เลยครับพระอาจารย์อันนี้คือคือปัญญาที่เอาไว้ใช้ละสากายะทิฐิเลยใช่ไหมครับพระอาจารย์นั่นแหละกถูกต้องที่เราทุกข์ก็เพราะเราไปหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราฐาหนห้าเป็นตัวเราของเราเวตนาเป็นเราปัญญาสังขารเป็นเรามันไม่ได้เป็นเรามันเป็นการทํา ง, งานของธรรมชาติของธาตุธาตุทั้งสี่และธาตุนู้ รู้ก็มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่งกานก็นมีธาตุสท่านตุ น, น้ําลงไปกับขอบพระคุณท้าอาจารย์มากเลยครับวันนี้ได้ปัญญามากเลยครับอืมถ้ามันมีมันมีปัญหาเราก็จะต้องแก่ถ้าเราไม่ยอมมองว่ามันเป็นปัญหาเราก็จะไม่แก่หมือบางทีเราอาจจะไม่รู้วิธีแก้เพราะคนที่รู้วิธีแก้เนี่มีน้อยมากหายาก คนที่จะสามารถสอนเราให้เราเข้าใจวิธีที่เราจะแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายต้องมีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เท่านั้นถึงจะสามารถสอนเราได้พระสงฆ์หมายถึงพระอริยสงฆ์ตั้งแต่พระสุวรรณมันขึ้นไปขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนบ้าง น, นะครับระอาจารย์ครับคุณวัฒ น, นาครับ การที่เรามีจิตสงสารทุกครั้งเมื่อเห็นคนมีความทุกข์จนบางครั้งนั้นตาซึมแบบนี้เราจะปฏิบัติอย่างไรดีครับเราก็ต้องเริ่ต้นก็ต้อ ง, อ ง, องทําใจให้อย่าไปทุกข์กับมันใจเราไม่เข้มแข็งพอใจเรายังไม่มีอเบรกขายัางวางเฉยไม่ได้วิธีแก้ความทุกข์ก็ต้องแก้ด้วยสติก่อนพุโทโธพุโทโธพุโทโธ ให้ระ ง, งับปฏิกิริยาของใจต่อสิ่งที่เราเห็นอนีแล้วขั้นขั้นต่อไปก็ <c oughs> ใช้ศึกษาทางด้านปัญญาให้เห็นว่าคนทุกคนเราเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าเขาว่าเราก่อนแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนต้องประสบกับข้อครรมต่างๆนา น, นาขึ้นอยู่กับวิบากกรรมที่แต่ละคนได้กระทามา ก็เป็นเรื่องเรื่องที่เหนือวิสัยของเราที่เราจะไปห้ามหรือไปแก้ได้คือถ้าเราช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไปาช่วยเหลือไม่ได้ก็ต้องทําใจวางเฉยทําใจให้เป็นอุเบกขาถ้าเราจะไม่ต้องการจะทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปสัมผัสดั่มด้วยถ้าเราทําใจเฉยไม่ได้เราก็จะทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆโดยที่ไม่ได้ไปเปลีป่ย น, นแปลงอะไร สร้างความทุกข์ให้กับเราโดยใช่เหตุคุณเอกราษณครับเมื่อคนเราตายไปแล้วดวงจิตยังสามารถปฏิบัติธรรมต่อเนื่องได้หรือเปล่าครับส่วนใหญ่จะไม่ได้นะเพราะว่ามันมันอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับล <c oughs> นยเวลาที่เราตายไปเนี่มันก็จะถูกอำนาจของบุญของบาป ท, ที่เราทานี้มาค้อบงำมาสร้างภาพสร้างภาพสร้างความ เหตุการณ์ต่างๆให้เราได้สัมผัสร้บงนู้นเหมือนกับว่าเราก็ไปอยู่อีกอีกโลกหนึ่งเราอยู่ในโลกของความฝันแต่เราจะไม่รู้ว่าเราฝันนัในขณะที่เราอยู่ในความฝันนั้นเราจะคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์จริงสังเกตดูเวลาที่เราฝันนี่เราไม่รู้ว่าเราเราฝันเราไม่รู้ว่าเรามันเป็นเหตุการณ์เหมือนกับเป็นเหตุการณ์จริงแต่มารู้นตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วบอกโอ้เมื่อคืนนี้ฝันร้ายนะเมื่อฝันดีนะ อาจจะจำไม่ค่อยได้เจได้วยซ้ำไปเพราะฝันอะไรบ้างเพราะมันมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเก็บไว้ในจิตสำนึกได้เพราะเราไม่มีสติพอที่จะพูดพอที่จะดึงมันไว้ได้แต่ก็จะรู้ทีหลังว่าอ๋อมันเป็นความฝันช่วงนั้นส่วนใหญ่เราจะไม่มีเวลาที่จะมากำหนดการขึ้นการกระทำของใจได้ เพราะถูกตอนนั้นใจจะถูกอานาจของบุญหรือบาปเป็นผู้ที่มากมาควบคุมให้ใจทํางานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งไปสร้า ง, งเรื่องราวทางเรื่องราวที่ดีเรื่องราวเรื่องราวที่ไม่ดีถ้าเป็นบา ป, ก, บาาาปบก็สร้างเรื่องราวที่ไม่ดีถ้าเป็นบุญก็สร้างเรื่องราวที่ดีให้เราได้สัมผัสทับรู้ไปจนกว่าอานาจของบุญของบาปจะหมดลงอันนั้นะเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนมุษย์ใหม่ แล้วเราก็ต้องรอให้เราเตจะเริ่เติบโ ต, ต, ตขึ้นมามีสติสตังพอที่จะเริ่มสั่งการให้นั่นการทำอะไรได้เราก็จะถ้าเราเคยปฏิบัติเราก็อาจจะอยากขอแม่ไปบวชเนรก็ได้หาพบว่าขอแม่ไปบวชเนรเห็นเนรน้องกับชอบเห็นพระเนรน้ออยากจะไปอยู่ใกล้นี้เพราะมันเป็นสิ่งที่เคยทำมาก่อนในอดีตชาติต่ในขณะที่ ยังไม่มีสติพ อ, อนี้ไม่สามารถที่จะที่จะสั่งการอะไรได้ตอนเป็นเด็กก็ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการของพ่อแม่ไปเรื่อยๆ่อนจนกว่าจะโตขึ้นพอที่จะทำอะไรได้ด้วยตนเองนะท่านถึงจะเิ่าถ้าอยากถ้าเคยปฏิบัติทำก็อยากจะปฏิบัติทําต่อได้คุณไลโคพีนครับการนั่งขัดสมาธิเพชรเป็นอัตตกิรมัฐานุโยคไหมครับ ผมเคยอ่านในอินเทอร์เน็ตหลายคนพูดประมาณว่าเป็นการทรมานตัวเองแต่ก็มีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรครับมันเป็นคนฟู้ของคนที่รักความสุขอน่ยเจ็บไปนิดอะไรหน่อยก็กลายเป็นการอัตตะอะไรไปทันทีมันไม่มันไม่ได้ทรมานตรงไหนหรอกคนที่เขาเคยนั่งเขาฝึกกันมาใหม่ๆมันก็อาจจะรู้สึกยากหน่อยมันมันไม่มันเาไม่เคยนั่งแต่เขนั่งไปเรื่อยๆมันก็มันก็สบาย เป็นท่านั่งที่สบายสำหรับการนั่งสมาธิเพราะเป็นท่านั่งที่ทำให้กล้าร่างกายนี้ไม่ไม่ล้มไปทางด้านใดด้านหนึ่งมีฐานที่กว้างนัง่นมั่นคงแล้วนั่งสมาธิได้นานเป็นท่านั่งที่พระปฏิบัติทุกเรื่องเพรานั่งกัน คุณเชิดชัยครับผมนั่งสมาธิและสั ป, ประงกผมรู้สึกตัวกาหนดรู้หนอพอสับ ป, ประงกอีกก็รู้หนอไปเรื่อยๆจนการสับ ป, ประงกแทบจะไม่ขยับเลยตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นการเห็นการเกิดดับพอรู้สึกอย่างนั้นก็สว่างโล่งขึ้นมาไม่ง่วงเลยไม่ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหมครับก็ไม่ว่าเข้าใจถูกต้องก็ได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นการทาสมาธิแต่อย่างใดมันก็เป็นการหายง่วงไปนะเนี่ย ก็ไม่ไม่เลยเป็นผลจากที่เราต้องการจากการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิเราต้องการให้ใจสงบนิง่งเฉยมีความสุขอันนี้ก็ไม่ทราบว่านั่งเพื่อนั่งแบบไหนนั่งเพื่ออะไรไม่รู้วนแว่นคิดจะวางจิตใจอย่างไรให้เห็นว่าความตายเป็นธรรมดาให้เห็นว่าท่าสี่ขันห้าตายไม่ใช่เราตายครับว่าเองสอนใจอยู่เรื่อยว่า ว่าความตายมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกับพ้าทิศ ต, ตกผ้าทิศขึ้นแล้วมาผ้าทิศก็ต้องตกเป็นเรื่องธรรมดาแบบนั้นมีผ้าทิศขึ้นมีผ้าทิศตกก็มีคนเกิดมีคนตายมันก็เหมือนกันก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาคุณจุลียครับเราจําเป็นต้องสวดมนต์ก่อนนอนด้วยไหมครับหากว่าเราสวดมนต์ตอนเช้าหน้าที่พระที่ทํางานตอนเช้าแล้วครับ คือการสวดมนนี่เป็นการสวดเพื่อเป็นการฝึกจิตฝึกสติให้จิตมีสติแล้วก็ไม่ใช่สวดแบบปับป๊บๆแล้วก็นอนหรืออะไรอันนี้เป็นการสวดแบบใช้เวลานั่งสวดทีละครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงอันนี้เพื่อเป็นการฝึกจิตฝึกสมาธิฝึกสติถ้าเราต้องการความสงบต้องการสมาธิเราก็สวด แต่ถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องสวดก็ได้ไม่มีใครบังคับให้เราต้องสวดแล้วไม่สวดแต่ถ้าสวดจริงๆมันต้อเอาเป็นกิจจานักษณะไม่ใช่ทำแมบพอ้อมปากหองพอตั้งน้ำโมซับเถอะก็ข อ, อนอนนะไดอันนี้ก็อย่าไปสวดนเลยไม่ทราบสวดเพื่ออะไรคุณไลโคพีนครับควรฝึกสติให้เป็นสติอัตโนมตัติก่อนแล้วจึงไปฝึกนั่งสมาธิ หรือฝึกสติไปพร้อมกับนั่งสมาธิทั้งสองอย่างในวันเดียวเลยครับอ๋อวันเดียววันทนะําทำานอยู่เรื่อยๆก็แล้วกันขอให้เราฝึกสติอยู่เรื่อยๆแล้วก็บ้างมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งทำสมาธิต่อทันทีมันก็ต้องทำควบคู่กันไปนะไรโกปีนครับสติยิ่งฝึกทุกวันยิ่งมีมากขึ้นไหครับแน่นอนมันจะต่อเนื่องขึ้น ไม่ขาดตอนมันจะไม่หายไปเป็นสัมปะชัญญะ ส, ส, สติที่ต่อเนื่องจากท่านเดิมครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าได้สติอัตโนมัติแล้วครับน้อก็ไม่เผลอไงน้อก็อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลาไม่รอไปอดีตไม่รอไปอานาคตให้สั่งให้มีอยู่กับอะไรมันก็ยังอยู่กับสั่งเีนั้น สั่งให้มันเฝ้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายมันก็จะอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายสั่งให้มันสวดมนต์มันก็อยู่กับการสวดมนต์มาให้คิดหน่อยบุณวิทวัสครับทํายังไงให้ความตายมันมาหนักหน้าแบบหนักแน่นครับรู้อยู่แล้วว่าต้องตายแต่ยังเฉยใช่ก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆความตายไปให้ ใหคนที่เข้าไปทํางานที่โรงพยาบาลห้องเก็บศพอะไรอย่างเงี้ยเห็นศพอยูบ่อยๆเนื่องจากไปทํางานในที่ไปช่วยเวลามีภยัยมีคนตายก็ไปช่วยกันเก็บศพกันอะไรอย่างเงี้ยนได้เห็หนบ่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆมันจะได้ไม่ลืมแล้วก็ถ้าเห็นบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะต้องยอนกลับมาที่ตัวเราว่าต่อไปเราก็ต้องเป็นอย่างนี้นะต้องคอย สอนใจด้วยว่าไม่ได้เห็นเฉยๆเห็นเฉยๆแนละ้วบางทีมันไม่ย้อนกลับมาคิดก็อาจจะลืมไปอาจจะไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายเหนเขาก็ได้เห็นแล้วก็ต้องคอยก็มาเตือนใจนเ่ยเหมือนพระเจ้าสอนให้เราเรานึกถึงความตายอยู่ทุกวันไม่ ว, ว่าเกิดมาแล้วเราต้องตายเป็นธรรมดาเรืร่องความตายตายเป็นไม่ได้ให้เรานึกทึบลมหายใจเขาเออก แล้วมันก็จะตระหนัดแบบหนักขึ้นแล้วมันจะได้หาวิธีแก้ไขปัญหาต่อไปคุณกิติศาาักดิ์ครับขอสอบถามการจเจริญวิปปนามีขั้นตอนทําอย่างไรครับวิปปนาก็คือการศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วย mm hmm. เช่นร่างกายของเรานี้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจแต่เรามาครอบครองร่างกาย เราก็ต no ้องรู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามันหนึ่งมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันก็ต้องจริญติบโตแล้วก็แก่เจ็บตายไปในที่สุดสองไม่มันไม่มีตัวเราในร่างกายมันทำมาจากธาตุสี่นิ่งน้ำลมไฟมีอาการ312นี่คือศึกษาวิปัสสนาศึกษาความจริงของสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเราจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นตัวเราของเรา และเราจะได้ไม่ทุกเวลามันเป็นอะไรขึ้นมาและเราจะไม่ไปหลงรักมันจะไม่ไปหลงรักว่ามันเป็นของสวยของงามเห็นร่าากายของใครเราก็จะถึงแม้จะสวยน่านดูภายนอกขนาดไหนเราก็จะรู้ว่าภายในยมันก็เนา่ามันก็เ น, าานา่าเฟะข้างในเปนสิ่งที่ไม่มีอะไหน้านดูห น, าน้าชมเลยมันก็จะทําให้เราอคลายความหลงในการที่จะมีความรักในร่างกายของคนอื่นได้ อันนี้มีการศึกษาเพื่อเพื่อกำจัดกิเลสเพราะกิเลสเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างให้เราต้องไปยึดไปติดกับสิ่งต่ตางๆและเวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่เราไปยึดไปติดก็จะทําทให้เราทุกข์ทรมานใจถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเพราะเรารู้ว่าเป็นของที่เราที่จะต้องมีการ ส, สิ้นสุดมันมการมีเกิดแล้วก็ต้องมีการหลุดไปเราก็จะไม่ยึดเมติต เวลาที่มันเกิดาการสิ้นสุดลงเราก็จะไม่ได้เราจะได้ไม่ทุกไปกับมัน น, นี่ก็คือวิปัสสนาให้เราเห็นทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับอย่าไปยึดอย่าไปติดนี่ถ้ายึดจะติดแล้วเวลามันจากออกไปมันจะทําให้เราเศร้าใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นร่างกายก็ได้เป็นเงินทองก็ได้เป็นคนร่างกายของค น, นนั่นคนนี้ก็ได้ทุกคนในที่สุดก็ต้อ ง, ต, องต้องตายไป ที่เราทุกแต่พราะเราไม่อยากให้เขาตายเราอยากให้เขาอยู่ต่อไปเพราะเราไม่มีปัญญาเราไม่มีวิปัสสนาไม่เห็นความจริงว่าทุกคนเกิมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาบุญดำครับเวลาเห็นคนอื่นตายทําไมเราไม่ทุกแต่พอพ่อแม่เราตายเราทุกครับเพราะเราไม่มีความผูกพันไม่มีความยึดติดกับร่างกายของคนอื่น เมื่อเราไม่มีความยึดติดเขาจะเป็นจะตายแเ้าก็ไม่เดือดร้อนแต่คนที่เรามีความยึดติดแล้วก็มีความอยากให้เขาไม่ตายกัน เ, เขาก็ตายเราก็เลยชุกเพราะเราไม่อยากให้เขาตายคุณวันธนาครับทําบุญอย่างเดียวไม่ทําทานได้บุญไหมครับมันเป็นอเดียวกันอะทําบุญนะการทํำบุญก็คือการทําทานนี่เองมุนเป็นผลทานเป็นเกตง ทานแปลว่าการให้ซึ่งเราให้อาหารพระให้บิณฑบาตใส่บาตรพระนี้ก็เป็นการให้ให้แล้วก็จะเกิดบุญเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาเราเอาเงินก้อนเดียวกันนี้ไปให้กับสุนัข ก, ก็ได้หรือสุนัขจรจัดก็ได้เราก็ได้ความสุขใจเท่ากันทีนี้เราคนเรามักจะชาบมาแยกแยะ ก, กันว่าถ้าทํากับพระเราเรียกว่าทําบุญให้กับพระเราเรียกว่าเป็นการทําบุญ ให้กับคนที่ไม่ใช่เป็นพระแล้วเรียกว่เป็นการทําทานแต่มันเป็นทานทานเหมือนกันหมดทานคือการให้รับผลคือบุญก็ได้เหมือนกันหมดเท่ากันหมดคุณองุนเปรี้ยวครับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้มีเป็นญาณไหมเจ้าค้าเช่นดอกไม้ต้นไม้ครับไม่มีแหละมันต้องมีขันมันต้องมีอายตนะห้า ต้อไม่ตาหูจมูกนิ้นกายมันถึงจะมีดวงวิญญาณไปเกาะได้ครับพีครับสติอัตโนมัติเสื่อมหรือถอยหลังได้ไหมครับถ้ามันอยู่ข้างอัตโนมัติเสื่มยากเพราะมันเป็นได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาแต่มันก็เสื่อมได้ถ้าเราไม่รักษามันมันก็เสื่มได้ทุกอย่างนี้ยังเป็นของชั่วคราว คุณพิมนาดาครับอยากทราบว่าก่อนจิตเราจะดับและออกจากร่างทรมานไหมครับจิตแล้วไม่ดับหรอกที่จะดับก็คือร่างกายทรมานแล้วไม่ทรมานก็อยู่ที่กิเลสของเราถ้าเรามีความยึดติดมีความอยากไม่ตายนี่เราก็จะทรมานมากแต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราดับกิเลสหลับความอยากได้รม่ ว, ว่ามันไม่เรื่องธรรมดารม่ ว, ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราทําใจให้เฉยๆไนดะ้เราก็จะไม่ทรมาน ใ น, นการฝึกสติฝึก ส, สมาธิจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการปล่อยวางร่างกายคุณผิดาครับช่วงนี้ทําอานาปานาสติแล้วรู้สึกทุกข์มากเลยพยายามหาเหตุที่ทุกข์ก็กลับมาดูวมต่อจะวางใจอย่างไรดีครับเพราะสติเรามีน้อยนั่นเองเรามีสติน้อยกิเลสมันก็จะมีกําลังมากมันก็จะต่อต้านมันจะไม่อยากให้เรา ดูลมมันอยากให้เราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยทําให้เราทุกข์ขึ้นมาได้ยังต้องฝึกสติให้มากมาก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิหรือตอนที่นั่งถ้ายังดูลมไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไปก่อนการสวดมนต์นี้เป็นการสร้างสติขึ้นมาหรือถ้าเราชอบฟังธรรมแล้วก็ปลดเสียงธรรมะฟังไปกันก่อนสร้างสติกลมใจให้สงบก่อนแล้วเราค่อยมาใช้อานาปนานสติต่อไป คุณลโคพีนครับมหาสติมหาปัญญาคืออะไรครับอาจารย์ช่วยขยายความให้หน่อยครับและใครบ้างที่มีมหาสติมหาปัญญาครับมหาสตินี่ก็คือปัญญาที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่ปัญญาธรรมดาถ้าพูดภาษาังปัจจุบันซูเปอร์เป็นซูเปอร์แมนนี่เป็นค น, คนที่ไม่ใช่คนธรรมดาคนที่มีความสามารถสูงคนที่มีมหาสติมหาปัญญาคนที่มีสติปัญญาสูงนั่นเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนในระดับที่เข้าสู่อารัยามากแล้วตั้งแต่โซดาปฏิมากขึ้นไปพวกนี้เขาจะมีสติมีมาหาเมื่นมาหาสติมาหาปัญญาจากท่านเดิมครับท่านนั่งสมาธิตอนเช้าจิตจะไม่รวมหรือครับเพราะยังไม่ได้เจริญสติเลยครับอ๋อไม่หรอกมันจะรวมไม่รวมมันอยู่ที่ว่าสติที่เราได้เจริญนี่ มีมากมีน้อยมาแล้วเรารักษามันไว้อยู่ในใจเราได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าทุกครั้งเราจะต้องมาเจริญสติก่อนแล้วเราถึงจะถึงจะทำให้จิตรวมได้สติที่เราได้เจริญแล้วมันก็จะมันก็จะสะสมอยู่ในใจของเราอำห้มานแ้วมันนั่งสมาธิตอนหนาแล้วก็รวมได้แต่ถ้ายังไม่มีสติยังไม่พร้อมนั่งตอนหนันล้วก็รวมไม่ได้ ถันหนไม่ได้ก็ต้องพยายามสร้างสติให้มีมากขึ้นไปกว่านี้่าเท่าที่เราไม่อยู่คุณมาลีครับการที่เราไปปฏิบัติธรรมหลายๆสถานที่คำสอนเหมือนกันแต่เหมือนเราจะไม่ได้อะไรเลยค่ะเป็นเพราะใจเราไม่มั่นคงใช่ไหมเจ้าคะแต่จะสมุดเงินทุกวันพระอยู่ประจำวัดเดียวครับมันอยู่ที่การปฏิบัติของเราแหละผลมั น, นเกิดจากการปฏิบัติของเรา ถ้าเราปฏิบัติมากปฏิบัติถูกผลมันก็เกิดถ้าปฏิบัติไม่มากหรือปฏิบัติไม่ถูกผลมันก็ไม่เกิดเราต้องดูการปฏิบัติของเราคุณนานาครับจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเรามีสมาธิหรือเข้าสมาธิแล้วทุกวันนี้พุโทโธอยู่อย่างเดียวไม่ว่าจะนั่งสมาธิดูลมหายใจหรือจงกรมดูพุโทโธที่เท้าขวาซ้ายรู้แค่ว่าจิตฟุ้งลดลงอยู่กับพุโทโธยาวขึ้น แต่ก็ยังวกแวกอยู่หรือคนทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมบางทีก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าพุดโธไปอีกนานแค่ไหนมันยังวกแก๊กอยู่ครับคุณอาจารย์ถ้ายังไม่รู้ะถ้ายังไม่รู้แสดงว่ายังไม่ได้ถ้าได้มันก็จะรู้เองมันรู้จะพูดยังไงเหมือนกินข้าวถ้ามันถ้ามันอิ่มแล้วมันก็จะรู้อย่างว่าอิ่มถ้ายังไม่อิ่มมันก็รู้ว่ามันยังไม่อิ่มสมาธิก็เหมือนกันถ้ามันสงบมันก็จะรู้วอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้เ ถ้มันยังไม่สงบมันก็ไม่รู้ว่าความสงบเป็นยังไงก็ทำต่อไปก็แล้วกันคุณมาริสาครับความสุขจากภายนอกต้องพึ่งพิงวัตถุและของแบรนด์เนมที่ต้องมีราคาความสุขจากภายในฟรีจากธรรมชาติที่ไม่ต้องใช้เงินสักบาทแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เป็นเพราะเหตุใดเจ้าค่ะอาจารย์เไม่ได้เรียนรู้ไงเพราะไม่มีใครสอน คนที่โชคดีมาเกิดได้มีพระอาจารย์คอยสอนนี่ก็จะได้รู้ความจริงเหล่านี้แต่ถ้าไม่ได้เรียนรู้ก็เหมือนกับวิชาต่างๆถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไม่เป็นเรียนวิชาทางแพทย์เราก็ไม่รู้จักวิธีเรื่องเรื่องของแพทย์ว่าก็รู้กันได้อย่างไรมันต้องศึกษาท่านนนะ่ะทางธรรมะก็ต้องศึกษาจากคนที่เขามีความรู้ทางธรรมะก็คือพระรัตนตรัยนี่ร พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ อาจารย์พอจะไกด์ให้ได้ไหมครับถ้าสมมติว่ามีเวลาประมาณสิบแปดชั่วโมงควรฝึกสติกี่ชั่วโมงนั่งสมาธิและเดินจงกรมอย่างละกี่ชั่วโมงครับก็รวมกันจะทําทั้งสิบแปดชั่วโมงเลยตอนต้นก็เริ่มสติก่อนดูซิว่าเราจะเดินจงกรมได้กี่ชั่วโมงก็เดินไปเดินจนทั่งเดินไม่ไหวก็กลับมานั่งสมาธินั่งสมาธิจะไม่ไหวก็ลุกขึ้นไปเดินจงกรมใหม่มาสองท่านนี้ก็พอเป็นการฝึกสติทั้งสิบแปดชั่วโมงนี่ คนที่เชี่ยวชาญอับปนาสมาธิระดับทีมชาติมีลักษณะยังไงครับหมายถึงแค่นั่งหลับตาก็เข้าสมาธิทันทีแบบนั้นเลยไหมครับบางทีไม่ต้องหลับตาก็เข้าสมาธิได้จายวางเฉยได้จ่ายนิ่งเฉยไม่ไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นอันนี้เป็นเพราะปัญญาใช่ไหมครับพอาจารย์ครับ ไม่ เ, เ, เราพอจะมีอยู่แล้วก<า>็สมาธิสมาธิอย่างเดียวเขาก็เขาลืมตาตัดใจเขาเขาก็มีสติคอยกํากับใหยใจนิ่งได้อยู่ที่สติมันม่ได้อยู่ที่ลืมตาแล้วหับตาคุมพิมพ์ระดาครับก่อนเราจะตายทําอย่างไรไม่ให้ทรมานครับก็บฝึกทําสมาธิตั้งแต่บัด น, นี้ทําจิตให้สงบให้วางเฉยให้ได้ เวลาจะตายก็ทําใจให้สงบให้หวางเฉยต้องซ้อมไว้ก่อนถ้าอยู่ดีๆจะมาทําตอนที่ตายจะตายมันทําไม่ได้หเหมือนนักมวยถ้าไม่ฝึกซ้อมก่อนจะขึ้นเวทีแล้วก็ไปซ้อมบนเวทีก็ถูกเขาน็อคท่านาเองต้องทำงานบ้ากก่อนฝึกทําสมาธิทุกวันให้จิตนั่งนิ่งนิ่งเฉยเฉยให้ได้นานๆแล้วต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ปว่วยจะตายก็ให้มันนิ่งนิ่งเฉยเฉยไปเท่านี้มันก็จะไม่ทรมาน คุณจันวันโนครับกับเรียนถามครับพระอนาคามีลากามราคะ 50% หรือหมดการราคะแล้วครับกับขอพระอาจารย์ชี้แนะทางถอดการราคะให้หมดสิ้นในใจด้วยครับอ๋อพระอนาคาเมลละได้น้อยเปอร์เซนพระที่ลน้อย 50% เรื่องพระสะกิรดาคามีขั้นที่ต่อจากพระโสดาบันวิธีที่จะละการราคะก็ต้องมองให้ให้ใหน้ากายว่าไม่สวยไม่งามให้ได้ ลองเห็นส่วนที่ไม่น่าดูเช่นมองเขไปภายใต้ผิวหนังมองให้เห็นโครงกระดูกเห็นกะโหลกศีรษะเห็นอวัยวะต่างๆเช่นปอดตาหัวใจซึ่งเราก็ต้องไปศึกษาไปหาที่ที่เขาอนุ ญ, ญาตให้เรามองถึงเห็นอวัยวะต่างๆเหล่านี้หรือไม่เช่นังสือสายภาพถ่ายอย่างที่คุณหมอวันนี้แจกภาพหนังสือกายกรตาสติหนังสือเล่มนี้ก็จะมีภาพของคนตายเรือภาพของคนที่เขาผ่าฉนวนศูน ได้เห็นอวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังไถ้าเห็นว่วาอวัยวะเหล่านี้เราเอามนึกบาคิดอยู่บ่อยๆจนกระทั่งมันไม่หลงไม่ลืมลเวลาเห็นร่างกายใครก็เห็นทั้งหมดเปเลยเห็นทะลุเข้าไปเหมือนตาเอ็กซเรย์เลยเห็นปั๊บนี้ต่อให้เป็นนางงามเป็นอะไรก็ตามเด่นาราหล่อเล้าลื่นสวยงามขนาดไห น, นถ้ามองทะลุเข้าไปแบบตาเอ็กซเรย์แล้วมันก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรน่าดูน่าชมในร่างกายนี้ ถ้าเห็นอย่างนี้แ ล, าลกลารม ล, มละการบรรลมมันก็เกิดเกิดขึ้นไม่ได้คุณอีฟครับความเข้มแข็งของใจลดลงเมื่อรู้สึกวั่นไหวให้กับเพศตรงข้ามรู้สึกเสียสมาธิมากต้องทำอย่างไรครับนี่แหลก็ต้องฝึกดูอสุภะมาังฝึกดูความไม่สวยงามส่วนไม่สวยงามของร่างกายมองเข้าไปใต้ผิวหนังมองอวัยวะต่ า, างๆเ ลายผิวหนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามมีปอดมีไตมีตับมีหัวใจมีลำไส้มีสมองนแล้วก็มีน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเส็จน้ำาหลืองน้ำเลือดอะไรันอันนี้ต้องศึกษาแล้วต้องมาจดมาจำไว้ว่านี่คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายที่เราเห็นว่าสวยมากงามเพราะทุกครั้งที่เราเห็นร่างกายที่สวยงามเร้ให้มองถึงสิ่งอาการเนี้ ความรู้สึกที่วั่นไหวก็จะหายไปจะรู้สึกเฉยเฉยคุณชลาลัยครับทานศีลภาวนาสวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิเดินจงกรมคือการปฏิบัติธรรมได้บุญในระดับภาวนาใช่ไหมครับไม่หรอกมันเป็นระดับแต่ลระดับไปศีลก็ทานก็เป็นระดับของทานศีลก็ระดับของศีลภาวนาก็ระดับของภาวนา การสวดมนต์ไหว้พระก็อยู่ในระดับของภาวนานั่งสมาธิเงินจงกรมก็อยู่ในระดับของภาวนาคุณมาริษาครับพระศัสดาท่านทรงเมตตาต่อสัตว์โลกมากเพราะท่านแก้ปัญหาการเกิดแก่เจ็บตายให้กับทุกคนแล้วแต่บางคนไม่รู้หรือรู้แต่ไม่สนใจเป็นเพราะบุญกุศลไม่เท่ากันหรือเปล่าครับเป็นเพความฉลาดไม่เท่ากัน พระจะบอกคําสอนของพระ อ, องค์นี้เหมาะกับวิญญูชนคนที่มีสติปัญญาที่จ ะ, ะเข้าเข้าใจถึงความสําคัญถึงประโยชน์ที่ของความของคําสอนอันนี้มันก็อ่านแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าประโยชน์แสดงว่าปัญญาไม่ถึงไม่ใช่วิญญูชนยังเป็นผูุ้ชนเม่ว่ายัางเป็นคนพานอยู่คนง่อยอยู่คนไม่ฉลาด เหมือนไก่ได้พลอยไก่ได้พลอยนี่เขียนที่หมดใช่ไหมยาวแต่ตัวหนอนตัวอนอนคนที่ไม่ฉลาดก็เห็นอะไรทำมุกทำม้าเนี่ไม่สนใจแต่ถ้าพูดถึงหุ้นถึงเงินที่จะได้จากการลงทุนนี่สนใจขึ้นมาทันทีเลยพวกนี้ชอบไปหาความรู้จากผู้ตลาดคุ้มากกว่าที่จะไปหาความรู้จากวัดวาละ คุณอ๋ อ, อนี่แหละคุณแว่นครับปัจจุบันคิดถึงความตายวันละสามเวลาเช้ากลางวันก่อนนอนว่าวันหนึ่งตัวเราจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ยังถือว่าประมาทอยู่ไหมครับประมาณอยู่แล้วช่วงเวลาอื่นเราไม่ได้คิดเลยเราก็ลืมได้พระเจ้ากระถามอนนท์เหมือนกันว่าอนนท์วันหนึ่งเธอแล้วรู้ถึงความตายวันละกี่ครั้ง อ, อนอนท์ก็บอกว่สามสี่ครั้งเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน พี่เจ้าบอเธอยังประมาทอยู่วิธีที่จะทําทให้เธอไม่ประมาทก็คือเธอต้องระลึกทุกลมหายใจเข้าเช่นนี้เลือกว่าถ้าหายใจเข้าแล้วไม่หายแล้วไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายคิดอย่างนี้ทุกลมหายใจเข้าอย่างนี้ถึงจะถือว่าไม่ประมาทคุณแพทครับแล้วใจใช่เราไหมครับถ้าไม่ใช่แล้วเราคืออะไรครับ เราก็คือจินตนาการของใจใจแต่งขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาเองด้วยความรู้สึกนึกคิดของใจเองเหมนใจมันเหมือนคนแต่งนิยายแต่งเป็นเรื่องเลยว่านี่คือเรานั่นคือเขาเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรกันเนี่ยเรื่องของใจแต่งขึ้นมา ค, คุณนัทวดีครับคุณแม่นอนโรงพยาบาลท่านพูดว่ากลัวตายครับ คงเห็นติงข้างๆไม่อยู่แล้วจะพูดกับท่านอย่างไรดีครับก็ไม่ต้องพูดอะไรท่านกลัวเรื่องของท่านไปถ้าท่านไม่ถามอะไรเราเราก็พูดอะไรไม่ได้พูดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะทําให้ท่านยิ่งกลัวใหญ่ก็ได้ฉะนั้นก็ต้องดูว่าท่านอยากจะถามอะไถามอะไรเราหราือปถ้าไม่ถานไปพูดลงทีมันก็ จ, จะไม่ไม่ถูกกาลเทศะหรือไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ คุณสติดครับกรณีป่วยรู้ว่าตายแน่นอนทรงอารมณ์แบบไหนจึงจะพอมีโอกาสเข้านิพพานได้ครับพิจารณาร่างกายขัน5่าว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแค่คิดพิจารณาอย่างเดียวจนกว่าจะตายโดยไม่ต้องกำหนดสมาธิหรือเปล่าแต่ถ้ามีการทำสมาธิถ้าตายจะได้กามาวาจรหรือพรหมไม่เข้านิพพานใช่ไหมครับกลัวทรงอารมณ์ผิดเพราะไม่ได้ภาวนาทาสม า, าธิตอนนั้นอาจจะลงอบายภูมิครับ ยากถ้าจะมาปฏิบัติตอนตอนใกล้จะตายนอกจากว่ามีโคด้ดดีๆพระพุทธเจ้ามาสอนข้างเตียงนี่ก็อาจจะสามารถที่จะปฏิบัติหน้าบรรลุได้เช่นพระพุทธเจ้าไปสอนพระบิดาพุทธบิดาให้บรรลุทำเจ็ดวันก่อนตายได้แต่ถ้าไม่มีโค้ดมีอาจารย์ดีๆมาสอนนี่หลงมากนะพอถึงจุดนั้นแล้วไม่มีสติสตังที่จะมาทำํำแล้วมาปฏิบัติทําได้แล้ว ยังต้องฝึกก่อนที่เราจะไปถึงตอนนั้นอย่าไปมาทําอย่ามาทําการบ้านตอนวันก่อนวันสอบนีมันไม่ทันการการบ้านเขาให้ทำมาเรื่อยๆให้ไล่เก็บการบ้านทํามาเรื่อยๆไม่ใช่มารอวันก่อนที่จะเข้าห้องสอบวันนี้ขึ้นวันนี้แล้วก่อนวันเข้าห้องสอบค่อยมาทําการบ้านค่อยมาดูหนังสือมันไม่ทันการหรอกของนี้มันต้องเตรียมการไม่ล่วงหน้า คุณสมบูรณ์ครับทุกวันนี้เมื่อยามเผือคิดฟุ้งซ่านจะเกิดความวุ่นวายใจวิตกจริตต่างๆนานาพอคิดได้ก็จะท่องพุโทโธหรือสวดมนต์ใจก็สงบสบายใจมีความสุขถือว่าปฏิบัติมาถูกทางไหมครับถ้าทำใจให้สงบได้ก็ถูกทางคุณอมพรครับเวลานั่งสมาธิจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นกังวลเรื่องกวางแม่ห่วงพี่ชายที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็น กันกับขันของตัวเองจะผ่าดีไม่ผ่าตัดสินใจไม่เป็นทํำยังไงดีครับรก็ต้องหยุดความคิด ถ, ถ้านั่งแล้วนั่งสมาธิไม่หยุดความคิดมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาก็อย่านั่งไว้เสียเวลาเป่านั่งเกาไม่ไม่เกิดประโยชน์เป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดการจะหยุดความคิดได้ก็ต้องฝึกมาก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาฝึกตอนที่เรานั่งมันไม่ทันการ คุณมาริสาครับทำไมยุคนี้คนเป็นโรคจิตเภทโรคประสาทเยอะครับาาอาจารย์เพราะว่าไ ม, ไม่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาไม่ไม่เจริญสติกันปล่อยให้ใจไหลไปตามอหนาจของกิเลสตัณหาเพราะไม่ได้ไหลกันมาก็เกิดโรคเป็นโรคประสาทกันไม่มีสติกันเสียสติกันไป คุณเข็มจีลาครับถ้าในขณะร่างกายทุกทรมานกับความเจ็บปวดของอาการปว่วยพยายามหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วบางช่วงของความเจ็บแวบไปก็แวบไปแล้วก็กลับมาปวดอีกสลับไปมาจนรู้สึกเบื่อแล้วความเจ็บก็ทุดเลาและหมดไปตอนไหนไม่รู้ตัวครับไม่รู้มันจะทำยังไงนะไม่ทราบมันจะถามอะไรนะก็ต้องพยายามปฏิบัติสติให้มากๆเให้จิตนน่งให้สง บ, บให้ได้ แล้วจิตก็จะไม่ทุกกับอาการเจ็บป่วยของร่างกายคุณแทนใจครับพ่อหนูป่วยหนกักหนูพยายามเรียนรู้ถึงไตรลักษณ์แต่บางครั้งก็คิดไม่ตกยังมีความเวทนา ม, มีวิธีดับทุกข์ทางใจไหมครับก็ส่วนมนต์ไปก็นั่งสมาธิไปก็ไหยุดคิดพักจิตมันก็จะบรรเทาความทุกข์เป็นพักๆไปถ้าเห็นด้วยปัญญาว่า พ่อเป็นตายรักเป็นไม่มีตัวตวนร่างกายไม่ใช่ตัวพ่อตัวพ่อไม่ได้ตายเป็นกับร่างกายเราก็า จ, จะไม่ทุกข์กันได้คุณปูเป้ครับได้สติได้ปัญญามากๆครับจะแยกร่างกายกับใจต้องปฏิบัติสมาธิถึงระดับอัปปนาใช่ไหมครับท่านถึงระดับนั้นมันไม่จะแยกได้อย่างจริงจังถ้ายังไม่ถึงระดับนั้นมันก็แยกไม่แยกแยกแย ก, ย ก, ย ก, ย ก, ยกไม่ได้ ยากยังไม่ไ ม, ไม่ไม่ขายคุณมุติตาครับอจะพิจารณาทำผมขนเล็บฟันหนังมีผู้ทำโดยเพ่งหรือท่องซ้ำๆจะพิจารณาอย่างไรดีครับปัตหมายก็คือให้เราเห็นอาการต่างๆเหล่านี้ในร่างกายของเราและของทุกๆคนเบืองต้นอาจจะท่องชื่อไปก่อนเนาะขั้นต่อไปก็มองภาพไปเปิดภาพดู หนังสือต่างๆแค่หนังสือที่คุณหมอจากเนี่ยเราไปขอหนังสือคุณหมอไปดูก็ได้กายคตาสติเราจะได้เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมากปอดตับไตอะไรต่างๆอนี้แล้วก็เอามาท่องจําให้มันจดจําอยู่ในใจของเราต่อไปจะได้ไม่ต้องอาศัยหนังสือเราไปเราไปไหนมาไหนเวลาเห็นใครเราก็เห็นพรวดไปเลยทีเดียวเห็นทั้งทั้งสามสิบสองอาการเลย คุณเอกชัยครับเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่จะไม่ให้จิตต้องตกในอบายภูมิสีเมื่อเราตายแล้วครับก็อย่าทําบาปนะบาปเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปอาบายถ้าเราไม่ทําบาปเราก็ไม่ไปอาบายหรือว่าถ้ า, ายังทํำบาปอยู่แล้วก็ต้องพยายามทําให้ทําบุญให้มากกว่า บ, บาปบาปก็ยังจะไม่ยังไม่สามารถแสดงผลได้ถ้าบุญที่เราทํามีกําลังมากกว่า บ, บาปที่เราทํา ถ้าเป็นไปได้ก็อยาทําบาปเลยดีกว่าดีที่สุดถ้าเราไม่ทําบาปได้เลยเนี่ยเราก็ไม่ไปอบายอย่างแน่นอนคุณใบยกครับลูกนั่งสมาธิจนรู้อยู่เฉยเฉยไม่นํามาปรุงแต่งพอออกจากสมาธิจิตใจก็เฉยเฉยธรรมดาได้ในหลายๆเรื่องเหตุนี้เพราะสมาธิที่นั่งจนรู้เฉยเฉยใช่ไหมเจ้าคะพอออกมาเจออะไรก็จะเห็นเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้จึงเฉยได้ครับใช่การมี จิตสงบจิตเนืง่งจิตก็จะาวางเฉยกับเหตุการ์ต่างๆได้เราก็สามารถใช้ปัญญาวิเคราะห์เหตุและผลของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาได้คุณพฤทธิพร์ครับปัญญาจากการคิดวิเคราะห์จะสามารถนําไปสู่ปัญญาข้ามบีมุตได้ไหมครับยังไม่ได้เลยปัญญาข้ามวิเคราะห์นี้ยังไม่มีกําลังยังไม่มีกําลังที่จะอยู่ ตัวที่ทำให้จิตทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาต่างๆต้องไปเข้าสมาธิก่อนต้องไปสร้างสมาธิขึ้นมาให้จิตมีพลังก่อนแล้วค่อยเอาปัญญาที่เกิดจากความคิดนี้มาใช้กับสมาธิกับจิตที่มีสมาธิก็สามารถที่จะเข้าสู่ขั้นวิมุตติได้หนุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้คุณใบยกครับรู้ว่าปวดเจ้า่าแต่รู้เฉยๆไม่ให้ใจปุงแต่งนะครับ ออให้รู้เฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายถ้าไปอยากแล้วมันจะทุกข์ทรมามนถ้าไม่อยากมันก็จะเฉยๆไม่เดือดร้อนคุณดิมพลครับขอากาสครับหากอยู่ในสภาวะแวดล้อมและสถานที่ที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติทางธรรมต้องคลุกคลีกับคนรอบข้างตลอดการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าและเริ่มถดถอยลูกควรหาทางออกอย่างไรดีครับ ก็ไปหาหาเวลาไปปฏิบัติธรรมไปเปียกเวเวกบ้างมันต้องมีเวลาที่เราไปไปเปียกตัวเราออกได้ไปอยู่คนเดียวไปหาที่สงบเพื่อมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างพลังให้กับใจต้องออกบ่อยๆคุณประเสริฐครับขณะที่ใช้ชีวิตประจําวันเช่นการเดินในขณะเดินจิตมันก็มีความคิดเราควรจะวางจิตอย่างไรครับ ก็อย่าปล่อยให้มันคิดเลยให้ให้มาบริกรรมพุโทโธพุโทโธแทนถ้าเราอยู่กับพุโทโธมันก็จยากคิดไม่ได้แล้วคิดได้ยากขึ้นแล้วคิดได้น้อยลงไปตามนั้นนนัขึ้นอยู่กับพุโทโธเราว่ามีมากมีน้อยถ้ามีพุโทโธมากมันก็จะคิดได้ยากขึ้นคิดได้น้อยลงคุณปู้เป้ครับ ตอนแรกหนูไม่ค่อยเข้าใจจะเข้าใจเมื่อปฏิบัติและทําเองเป็นพยาบาลเก็บข้อมูลทุกหน่วยงานทํางานหลายโรงพยาบาลจุดปัจจุบันทํางานโรงพยาบาลสงส์เห็นพระอาพาธท่านมาถามอาการทางร่างกายแต่หนูถามการปฏิบัติ ด, ด้วยเจ้าค่ะเห็นท่านอาพาธได้เดินจงกรมได้หนูเลยตามร่างกายทางโรคมากเจ้าค่ะตามการปฏิบัติทางใจฟังพระอาจารย์จากธรรมโอสถนี้เองเลยไม่เจ็บปวดทรมานครับ อู๊ตครับเรานั่งสมาธิมานานหลายปีแต่ไม่เคยฝึกวิปัสสนาตอนนี้อยากทําวิปัสสนาอยากเรียนถามพระอาจารย์ผมจะทําได้เลยไหมครับและเริ่มต้นอย่างไรครับน่าก็ศึกษาธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เราไปเกี่ยวข้องยังประยึดติดอยู่ถ้าเรายังยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเองินทองเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาเป็นตายรับเป็นของไม่เที่ยงวันใดวันหนึ่งก็อาจจะต้องมีวัน พัดพาดจากกันเป็นธรรมดาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าจะต้องมีการพัดพาคจากกันไปแต่ไม่ได้ยยนดันด้วยการไปตลอดอันนี้ก็เรียกวิวปัสสนามองให้เห็นอนิจจ์คุณสุดที่รถครับเราควรเตรียมตัวตายด้วยการสั่งวิธีจัดงานศพไว้กับญาติหรือไม่ต้องสั่งอะไรแล้วแต่คนที่อยู่ข้างหลังจะสะดวกดีครับ การเตรียมตัวตายนี่อยู่ที่ใจของเราเตรียมตัวให้ใจเราอยอมรับความตายเพื่อใจเราจะได้ไม่ทุกข์กับความตายทั้งขณะที่เรายัางไม่ตายและขณะ ท, ที่เราตายส่วนเรื่องการ จ, จัดงานศพก็สั่งก็ได้แต่ก็จะทําให้ทําเราก็ไม่รู้นะคุณมารีรัตครับหลานชายโยมถามว่าตายเป็นไงโยมเอาคําตอบว่าอาจารย์ตอบเลยเจ้าค่ะ นอนหลับคือการตายชั่วคราวต่างกันกับตายจริงครับคุณเขมจีราครับอย่างไรก็ต้องตายจากกันทุกคนถ้ามีคนไม่ชอบเราโดยที่เราไม่มีเจตนาทำให้เกิดความไม่ชอบนี้จะเป็นกรรมไม่ดีของเราไหมครับเราไม่มีเจตนาก็มันก็ไม่มีกรรมแต่มันก็เป็นเรื่องของคนของความ ความรู้สึกนึกของคนนื่นที่เราห้ามไม่ได้บางคนก็ชอบเรามาก่อ น, นก็ไม่ชอบเราเราก็ต้องยอมรับไปว่ามบบเหมือนดินฟ้าอากาศเมื่วันก็ร้อนเมืวันก็หนาวถ้าคิดอย่างนี้ไปแล้วเราก็จะไม่ถูกคุณพานุเดชครับกําหนดจิตอย่างไรไม่ให้ฝืนไม่ให้ฝันครับเพราะเวลาฝันแล้วรู้สึกเหนื่อยเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยครับ ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิบ่อยๆมากขึ้นมากขึ้นความฝันก็จะน้อยลงไปความฝันก็คือความคิดพอเราฝึกสติฝึกสมาธิแล้วก็หยุดความคิดในเวลาเรานอนหลับมันก็จะทําให้ความฝันมันน้อยลงได้คุณนิดครับเช่าห้องเล็กอยู่ในห้องมีพระพุทธรูปของเจ้าของห้องเวลาอาบน้ําแต่งตัวเราจะบาปไหมครับ ไม่แบบลรอพราะพุทธลกท่านไม่ไม่มีจิตวิญญาณไม่มีการรับรู้อะไรเป็นตุกกตาท่านเห็นเป็นของให้เราเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าอันนั้นตัวพระพุทธลูกนี่ไม่มีอะไรเห็นแต่ว่าเราควรจะตั้งไว้ในที่สมควรก็แล้วกันที่เหมาะสมตั้งไว้ในที่สูงถ้ากลัวท่านนจะมองเราก็หันท่านก็าาาหาด้านฝาผนังกัเรากัน เป็นจิตวิทยามากกว่ารพระพุทธรูปมองอไม่เห็นหรอกไม่มีตาไม่มีใจไ่รับรูกคุณจีนครับหลังจากนั่งสมาธิพักหนึ่งมีความคิดทางกิเลสเกิดขึ้นแต่มีคำตอบทันทีทางกฎตายรักอันนี้ใช่ปัญญาไหมครับแล้วความคิดก็หายว่างไปนานต้องปฏิบัติอย่างไรต่อครับอาจารย์เมตตาด้วยครับถูกต้องถ้าเราเห็นตายักก็เป็นปัญญา เรามันก็จะทำให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปได้ก็ mm hmm. พยายามฝึกมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าอยู่ภายใต้กฎสมตายรับทั้งหมดพ mm hmm. ่าเราจะได้ไม่ไม่ไปยึดไปติดไปอยาวเราจะได้ไม่ไม่ทุกข์กับเขาเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นมาคุณสุ น, นิตครับหากชาติหน้ามีจริงถ้าชาติต่อไปอยากเป็นผู้ชายเราจะต้องฝึกฝนตนอย่างไรครับ เราก็ต้องฝึกตอนนี้ฝึกนิสัยของผู้ชายทําอย่างผู้ชายกล้าหาญเด็ดเดี่ยวถ้าร่าหดอดทนเข้มแข็ ง, ขงไม่สำมางผู้หญิงชอบสามางผู้ชายไม่ชอบสามางเราก็ต้องปรับใช้นิสัยของผู้ชายคุณปิยวุฒิครับเวลาจิตสงบจิตต้องสว่างทุกครั้งไหมครับถึงจะเข้าถึงเรียกว่าถึงถึงความครับ เรื่องจำเป็นแับความสว่างบางครั้งก็เกิดขึ้นได้บางครั้งก็ไม่เกิดขึ้นก็ได้ขอให้สงบก็แล้วกันสงบนิ่งแล้วมีความสุขมีอุเบกขาปล่อยวางได้วางเฉยได้คุณสลาวุธครับเวลามีคนนินทาเราดูถูกเราแล้วเรามีอารมณ์โกรธทําอย่างไรดีครับเราก็ต้องทําใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้บังคับต่อไม่ได้ วิธีนี้ทําให้เราไม่ไม่โกรธก็คือเราต้องคิดว่าตัวเราเองนี่เป็นตัวที่ตัดต้อยที่สุดเหมาะกับการดูถูกดูแทนก็อยากจะดูแทน้าไปก็ดูถูกไปนั่นเองเราก็จะไม่ทุกข์พระเจ้าบอกให้ทําตัวเราเป็นเหมือนปัตตภีใครจะเหยียบใครจะอะไรก็เขาก็เป็นทำไปปัตตภีไม่รู้สึกเดือดร้อนแต่อย่างใดยอมรับกับการกระทําของทุกคนได้ใขยารอดอุจลระใส่ ปัสวาวะใส่ขายาวจอบเอาเสียมากดนินนิก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับการกระทําต่างๆของคนต่างๆนับได้หมดทําตัวเราให้เป็นปาตพีอย่าไปถือตัวว่าเราเป็นอย่างนั้ น, นอย่างนี้ต้อปฏิบัติกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเคารมเราต้องว่าเราไม่ได้ถ้าทําตัวอย่างนี้พอไปเจอคนที่เขาว่าเราเราก็จะรับไปได้พ้องทำตัวว่าเรารับได้คนทําคนเรา เรารับได้ทุกอย่างใครเขาจะด่าเราก็ได้ใครเขาจะชมเราก็ได้เพราะความจริงแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้อยู่ดีนั่นเองคุณอู๊ดครับลาออกจากงานมาหลายปีชอบฟังธรรมและภาวนาเกือบทุกวันทําไมตอนนี้ไม่ชอบสั่งสรค์กับเพื่อนๆและญาติชอบอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ผิดปกติไหมครับไม่หรอกวา่ามันธรรมชาติของคนที่มีความสงบมีความสุขในใจก็จะไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใคร อายุ่งแมันวุ่นวายใจมันทําให้ใจวุ่นวายขึ้นมาอยู่คนเดียวไม่มีเรื่องวุ่นวายจิตสงบสบายยิ่งชอบอยู่คนเดียวอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนที่ปฏิบัติธรรมแต่อาจจะผิดปกติสําหรับคนในสังคมที่กขาคิออาดว่าอยู่ดีๆทําไมเดี๋ยวนี้ไม่สังคมกอบใคร <c oughs> คุณกำมลวันครับการสวดมนต์ยาวโดยไม่ออกเสียงเนื่องจากเจ็บคอเพราะอาการเจ็บป่วย จะได้บุญเหมือนกับการสวดมนต์แบบออกเสียงหรือไม่ครับง่าย ด, ดีกว่าฉันได้ทั้งหมการสวดมนต์ถ้าสวดแบบไม่ออกเสียงได้ยิ่งดีเพราะจะได้ไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงของร่างกายแล้วใจก็ไม่ต้องไปบังคับให้ร่างกายทํางานด้วยใจก็จะได้ไม่ต้องมาใจก็จะได้ไม่ต้องทํางานมากทําแต่เฉพาะการสวดอย่างเดียวโดวยที่ไม่ต้องไปบังคับให้ร่างกายสวดตามด้วย คุณกิติศักดิ์ครับวิปัสสนาเป็นความคิดจากจิตหรือมาจากภายนอกครับหมายถึงความรู้นั้นเกิดมาจากไหนครับเกิดจากเกิดจาการเรียนรู้วิปัสสนาก็คือการศึกษาเวลาศึกษาวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษเนี่เราต้องเรียนเรียนรู้ธรรมะก็เป็นวิปัสสนาก็คือธรรมะนี่วิชาวิปัสสนาก็คือวิชาอริยสัจสี่วิชาไตรลักษณ์นี่ เราต้องเรียนรู้ว่าตายรักเป็นอย่างไร อ, อเรยสัต ส, สีเป็นอย่างไรคุณสุดที่รถครับตายอย่างไรถึงเรียกว่าตายดีครับตายยังไงก็ตายไม่ดีไม่มีใครอยากจะตายครับไม่มีใครวะแต่ถ้าถ้าสำหรับใจแล้วตายแบบไหนดีก็คือใจตายอย่างสงบนะดีที่สุดสําหรับใจถ้าใจสงบแล้วใจก็ไม่เดือดร้อนกับความตาย ถ้าใจไม่สงบใจก็จะทุกข์ทรมากกับความตายคุณวันธนาครับเห็นคนวันนี้เดินได้แต่วันรุ่งขึ้นเกิดอุบัติเหตุเดินไม่ได้ทันทีชีวิตพกผันแบบนี้เกิดจากบุญกรรมอะไรเจ้า ค, ค, นนาครับก็จะกดอนิจังมากกว่า ไ, ไม่มีอะไรแน่นอนมีจรานก็มีเสื่อมได้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คุณเอกชัยครับเราฝึกนั่งสมาธิโดยนั่งหลังพิงฝาผนังได้ัหยครับเพราะจะนั่งได้นานกว่าหลังไม่พิงครับมันก็ได้ประโยชน์ทางร่างกายแต่มันจะไม่ได้ประโยชน์ทางจิตใจเพราะมันสบายทำให้สติเราอ่อนลงน่าจะเผลอหลับไปได้ต่อไปแต่ถ้ า, านั่งโดยไม่มีอะไรพิงนี่มันจะทำให้เรามีสติดีกว่าจะได้ประโยชน์ทางจิตใจมากกว่าแต่จะไม่ได้ประโยชน์ทางร่างกาย ในการภาวนานี้เราก็ไม่ได้หวังผลประโยชน์จากทางทางร่างกายเราภาวนานเพื่อหวังผลประโยชน์ทางจิตใจเพื่อให้จิตใจสงบก็ต้องมีสติยังไม่ควรนั่งนั่งเพียงฝาถ้าถ้าอยากจะได้สติที่ดีกว่าเพราอถ้านั่งเพียงฝามันสบายเพราะมันนั่มสบายแล้วก็สติมันก็จะอ่อนกําลังลงทันทีคุณจักริดครับ นั่งสมาธินานชาลงที่แข้งขาแต่ปล่อยไปนานมันหายหายชาไปเองพอออกจากสมาธิแล้วชาลงที่ปลายเท้าจะให้ทำอย่างไรครับก็รอให้มันหายชาเลงมันเื่องของร่างกายที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็ขยับแค่งขยับขาเทีลเล็กเทหน่อยให้เลื่อนลมมันไหลตอเลื่อนลมมันไหลเป็นปกติมากการชามันก็จะหายไปเอง บุญขุนเขาครับทําบุญทุกวันและอุทิศบุญให้ผู้ที่ล่วงลับทุกครั้งหากดวงวิญญาณ น, นั้นไปเกิดบุญนั้นยังจะไปถึงผู้นั้นหรือไม่ครับถ้าเข้าไปเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ไม่จําเป็นที่เรามารับบุญจากเราหรือถ้าเข้าไปเกิดถ้าเข้าไปเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารับบุญจากเราเพาเขามีบุญมากกว่าบุญที่เราให้เขาไปมีพวกเดียวท่านที่จะมารับบุญก็คือพวกเปรตพวกนี้เขาเป็นขอทานไม่มีบุญติดตัวไปเวลาเขาตาย เขาเลยต้องมาสายบุญของคนที่มีชีวิตยอยู่ทําส่งไปให้เขาคุณสุวรรณีครับการเริ่มต้นให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษ์ต้องเริ่มยังไงครับก็เริ่มที่ลมหายใจเราก็ได้หายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นไตรลักษณ์ต้องหายใจอยู่เรื่อยๆการหายใจเข้าแล้วมันหยุดหายใจแล้วก็ไปหายใจออก มันก็เป็นของไม่เที่ยงนั่งนั่งลมหมายใจก็เป็นของไม่เที่ยงมือยุบหนอพองหนอเนยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไม่พองไปตลอดพองแล้วก็ยุบยุบแล้วก็พองหนั่อ่็หายใจออกแล้วก็หายใจเข้าอันนี้จัาก็คือการเปลี่ยนแปลงการไม่เหมือนการไม่เป็นเหมือนเดิมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เราจะดูร่างกายเราก็ได้ดูตั้งแต่เราเกิดมาตอนที่เราเกิดเราเป็นอะไรนะ่ะร่างกายอเก็เป็นทานโลกแ บ, บอกเอาอยู่แล้วตอนนี้เราเป็นอะไรนะอันนั้นก็เป็นอนิจจ์เป็นตายรักนะมีการเปลี่ยนแปลมีการเจริญติบโตแล้วมองไปข้างหน้าต่อไปเราก็จะต้องเป็นคนแก่เราก็จะต้องเป็นคนเจ็บแล้วเราก็ต้องเป็นคนตายไปในที่สุดอันนี้ก็เป็นการพิจารณาอนิจจ์อนัตตา อนัตตาคือละห้ามมันไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้มันต้องไปไปตามมรระของมันถ้าเราอยากจะให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมานี้คือตายรักอันนี้จังทุกข์องอนัตตาจากคุณพัชมนครับอยากรู้ว่าตัวเราเคยทําแท้งมาก่อนเราจะแก้ไขชีวิตเราอย่างไรให้ดีขึ้นครับก็อยอาไปทำเอง พยายามรักษาศีลให้ดีแล้วก็ทําความดีให้มากขึ้นคนวามดีชั่วยอยู่ที่การกระทําไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งนั้นทำดีเราก็จะเป็นคนดีทํำชั่วเราก็จะเป็นคนชัว่วคุณบุญญรัตน์ครับหากเราไม่ค่อยได้ใส่บาตรแต่บริจาคช่วยโรงพยาบาลวัดทอดกรถินไถ่ชีวิตโคกระบือจะมีผลอะไรกับเราบ้างบาง ไม่ไม่ได้ใส่บาตรจะอดตายบางคนว่าไม่ได้ใส่บาตรจะอดตายครับไม่หรอกบุญเหลนี้บุญเหล่านี้ก็เป็นอาหารทดแทนกันได้ทาบุญบุญก็คืออาหารของใจทําบุญไม่วิธีใดก็ได้ก็เท่ากับการให้อาหารกับใจใจไปเกิดที่ไหนใจก็จะไม่หิวโหวยถึงแม้ว่าร่างกายจะอดอยากทายกานมากแต่ใจก็จะไม่ทรา ม, มานคุณอังุ่นเปรี้ยวครับ การผิดศีลมีระดับไหมเจ้าค้าเช่นศีลข้อสี่ที่เราโกหกเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้นผิดน้อยผิดมากหรือว่าถือผิดว่าผิดร้อยเปอร์เซนเลยครับอ๋อมันก็มีหนักมีเบาแล้วแต่ก็อีแล้วแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเราไปสร้างความเสียหายมากหรือน้อยถ้าสร้างความเสียหายมากมันก็หนักมันก็หนักถ้าความสร้างความเสียหายน้อยมันก็มันก็เบาอยู่ที่ผลของการกระทําของเรา องการกระทำบาปของเราพ็ทาให้เกิดเกิดโทษมากน้อยเท่าไหร่นั่นเองเกิดความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่คุณมารีรัตครับสามีโยมตายเมื่อวันที่9พฤศจิกายนโชคดีที่เขาได้ให้โยมเอาเงินเขาเองทําบุญให้โยมสอนจบเงินก่อนทําบุญอย่างนี้เขาได้บุญใช่ไหมเจ้าค่ะตอนนี้โยมยังใส่บาตรกวดน้ำให้แทบทุกวันครับใช่ถ้าเป็นเงินของเขาเองนะเป็น เป็นควาคิดของเขาเองเขาก็จะได้บุญคุณสุนิตครับปัญญาทางโลกและปัญญาในทางธรรมมีส่วนที่เหมือนและต่างกันอย่างไรครับสปันญาปัญญาทาง ท, ทางโลกก็จะไปทางน่านวิชาการต่างๆเรียนรู้วิวิชาการธรรมากินเพื่อเอามาธรรมหากินเช่นเรียนทางแพทย์ศาสตร์เพื่อเพจะได้เอาวิชาเนี่มาธรรมากินเป็นหมอ มารักษาโรคปยาบาลทางร่างกายแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการปัญญาทางธรรมที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีกาจัดความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาของเรามันเป็นคนล ะ, ะแผกคนละวิชากันแท้เองคุณเตเต้ครับทุกวันนี้พยายามนั่งสมาธิแต่นั่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จะมีความรู้สึกอยากจะหยุดนั่งแถมจิตก็ไม่รวม ควรนั่งแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมควรเพิ่มเวลาไหมคะหรือควรไปฝึกสติเพิ่มก่อนครับก็ควรฝึกสติก่อนด้วยก็ทําได้พร้อมๆกันช่วงที่เราไม่นั่งสมาธิแล้วก็พยายามฝึกสติเรื่อยๆพ่าการฝึกสตินี้เราทําได้ตลอดเวลาเแต่เราไม่ทํากันเองนั่นเอคุณแอสโปครับพระอรหันต์เมื่อมีอารมณ์ภายนอกมากระทบท่านรู้และวางได้ทันทีหรือว่าท่านไม่โกรธเลยครับ ท่านไม่มีเล่าควาื่องความโกรธความหนองในใจของท่านมีอะไรมันกระทบทั้งก็จะฝั์แต่ว่ารู้เฉยๆไปทั้งเลยอันนี้คือมหาสติมหาปัญญาจริงๆออระดับพระหาลานเนปะ็นร้อยสติปัญญาเต็นร้อยบุญุทิตาครับ ทั้งหนึ่งเคยปวดแล้วทานยาแก้ปวดรอรถหนึ่งหกหเก้าแต่ถ้ารถไม่มาจะเกิดอาการกลัวปวดใจสั่นเต้นแรงมากจึงเพ่งดูที่ใจสั่นก็หายใจเต้นแรงอาการปวดก็หายไปจนนอนหลับได้เป็นผลจากการฟังธรรมในจงกรมใจสงบทั้งวันใช่ไหมครับก็เป็นผลจากการที่เรามีสติเนี่ยดังนั้นย่ำยังความคิดปุ่มแตกว่าทำให้ใจสงบได้อาการมันก็อาการเจ็บป่วยทงางร่างกายก็อาจจะสงบตัวตามเราได้ คุณสิริมาครับช่วงหน้าหนาวบางคนไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแค่คอนเพลินอยู่ยภายนอกแต่ไม่หนาวอย่างนี้เขามีสมาธิใช่ไ้ยสมาธิแบบนี้ถือว่าลึกไหมเจ้าคะ่ะก็มีอุเบกขาที่ได้อากสมาธิ น, นั่เองคนจะมีอุเบกขามากก็จะมีความรู้สึกเฉยๆกับความรู้สึกต่างๆได้มากขึ้นอากาศหนาวก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อน คุณนันทนาครับการสวดมนต์เปิดหนังสือนะคะเป็นการทำพุท ธ, ธานุสติไหมครับการสวดมนต์นี้ถือว่าเป็นการเจริญธรรมานุสติเพราะบทสวดมนต์นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเกับเป็นการเรียนรู้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณทาวันครับเวลานั่งสมาธิไปสักพักจะรู้สึกว่าตัวเองก้มหน้าลง แต่ก็รู้ว่านั่งก้มหน้าสักพักจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นจะมีวิธีแก้อย่างไรครับแเวลานั่งสมาธิไม่ควรที่จะไปสนใจเกี่ยวกับอาการของร่างกายเลยให้เราอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการภาวนาะถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าร่างกายเอ็งไปข้างหน้าหรือเอ็นไปข้างหลังไม่ต้องไปไมัน้องต้องไปปรับไปแก้อะไรนะั้นไว้ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน เราอยู่กับการภาวนาของเราเพียงอย่างเดียวถ้าไม่เช่นนั้นงานภาวนาเราก็จะไม่คืบหน้าจะมัวแต่คอยมาปรับร่างกายอยู่ก็จะไปไม่ถึงไหนเวลาเราเริ่มภาวนาแล้วอย่าไปยุ่งกับร่างกายเลยมันจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปให้เราอยู่กับการภาวนาของเราไปเรื่อยๆคุณนริมนครับบุคคลที่มีหลักใจคืออะไรเจ้าคะ หลักใจก็มีสองระดับะระดับแรกก็คือสติ ค, คือสมาธิที่ได้จากการมีสติทําใจให้มันสงบระดับที่สองก็คือความสงบที่เกิดจากปัญญาอันนี้คือหลักใจถ้าใครมีสติมีปัญญาแล้วก็จะมีมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่มัน่นคงที่ทำให้จิตใจไม่หวัน่นไหวไม่ไม่ไมทุกข์ไม่ทรมานกับอะไรทั้งสิ้น คุณตรงฤิครับสมัยพุทธกาลหรือสมัยที่พระเจ้าตัดสรูยยังไม่มีบทสวดต่างๆใช่หรือเปล่าครับดังนั้นบทสวดต่างๆยังไม่สําคัญเท่ากับการทําสมาธิใช่หรือเปล่าครับมันก็บทสวดชัญนใหญ่มันก็มาจากการที่พระเจ้าแสดงธรรมนี่เอาบทสวดสมัยก่อนนั้นพระสงฆ์องค์เจานั่นก็ศึกษาธรรมด้วยการจดจําด้วยการท่องจําเพราะสมัยก่อนไม่มีหนังสือก็ใช้ คนนี้ฟังทำอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็จดจาํากันแล้วก็ถ่ายทอดกันให้กับผู้ที่มาบวชทีหลังผู้ที่มาบวชทีหลังก็มาท่องจํามาจดจํามาสวดกันมันก็เป็นเรื่องของการศึกษาและเป็นเรื่องของการรักษาเพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสมัยก่อนคิดว่าเขาไม่ได้เน้นเรื่องของการสวดมนต์เพื่อเป็นการปฏิบัติภาวนาการภาวนาก็เน้นเรื่องของการเจริญสติเดินอยงกลมนั่งสมาธิ แต่ถ้าเราจะใช้การสวดมนต์มันเป็นการเจริญสติก็ได้ไม่ห้ามซึ่งอาจจะมีก็ได้ในสมัยพุทธกาลแต่จะไม่มีพิธีแบบที่เราทำกันองบวชเช้าเย็นมาสวดบทพุทธคุณธรรมคุณอะไรเหล่านี้ไม่มีท่านจะปฏิบัติของท่านไปตามลาพังกันเป็นส่วนใหญ่การปฏิบัตินี้ไม่จำเป็นจะต้องมานั่งนั่งสวดพร้อมกันสามารถทำของเราได้ที่กุฏิของเราเอง จะส่วนมากส่วนมากนังสมาธินานไม่นานเดินจังคมนานไม่นานก็อยู่ที่กาลังของเราเราก็ทาไปตามตรงาองรับเราไปคุณโถระครับกลับเรียนถามวิธีฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเจ้าค่ะก็นั่นแหละเมื่ต้องมาฝืนด้วยสติก่อนทำทให้มีสติถ้ามีสติจิตเราก็จะวางเฉยได้มากขึ้นก็จะเข้มแข็งเวลามีอะไรมากระทบก็จะไม่วุ่นวายใจ ถ้าจิตไม่มีสติเลยไม่มีกำลังเลยนี่เวลาเรามันก็ทุ้บหน่อยก็ไปแล้วเหมือนก็ปุยนุน่นโดนอะไรลมพัดเบาๆก็เปิี่ยนไปแล้วถ้าทาฝึกสติมากขึ้นใจเราจะกลายเป็นหินยื่นเวลามีลมมาพัดมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไปตามกำลังของลมพัดฝึกสติไปก่อนแล้วขั้นต่อไปค่อยฝึกปัญญาต่อ คุณจีทโอครับรู้สึกเป็นทุกข์กับการที่หลงรักคนที่มีเจ้าของแล้วต้องวางสติอย่างไรครับก็วางว่าเขาไม่ใช่เป็นของเราหนระือ ว, ว่าวางว่ามันเป็นสิ่งหรือมองมองให้เห็นอสุภะในร่างกายของเขาก็ได้ในเห็น ว, ว่าร่างกายมีอาการ3ามสิบสองนี่มันก็จะทำให้เราคลายความหลงความรักเขาได้คุณวัฒนาครับ ถ้าเราถ้ามีเราอยากให้ญาติไปทําบุญโดยที่เราออกเงินทําบุญเขาจะได้บุญให้ไหมครับแล้วถ้าเขาไม่ศรัทธาแล้วจะทําให้เราตกนรกไหมครับไม่เราบุญนี่ต้องทําเองเงินเงินต้องเป็นของของของเราเองของเขาเองถ้าจะเอาเงินของเราให้เขาแล้วบอกให้เขาไปทําบุญนี่ถ้าเราไปใช้ให้เขาไปทําบุญให้กับเราเราไม่ได้บุญหรอกนะเราเป็นคนได้บุญ เพราะเราเป็นคนคิดเองแล้วก็ทําเองเไม่แต่ฝากให้เขาไปทําให้กํบเราเท่นั้นเองเนื่องการทําบุญนี้่บอกเขาได้สอนก็ได้แต่เวลาจะทําจริงๆก็ต้องเป็นคนคิดขึ้นมาเองนั่นว่าเราจะไปทําบุญแล้วก็ขอฝากมันไปร่วมทมําบุญด้วยอย่างเงี้ยเขาจะได้บุญโ <ใน S 1> วนถวนน้ำไม่ตกนรกเพร่พ อ, พอบอกให้เขาไปทําบุญแล้วเขาไม่ทํำไม่ไมตกนรกไม่เกี่ยวกัน คุณมาลีรัตครับบอกว่าโยมนั่งฟังธรรมะพระอาจารย์แต่นั่งยิ้มหัวเราะอยู่คนเดียวบาปไหมคะแต่โยมตั้งใจฟังเจ้าคะ่ะไม่บาป<ม>หรอกถ้าเรายืนอยู่คนเดียวเราจะหัวเราะไม่หัวเราะมันก็เป็นเสร็จของเราที่จะทําได้ขึ้น อ, อยู่ว่าเราหัวเราะเพราะอะไรเออหัวเราะเพราะเรามันมีหลายสาเหตุของการหัวเราะคุณปุ้ยครับ ถ้าตายเร็วก็หมดกรรมเร็วเหมือนกันค่ะไปชาติหน้าดีไม่ดีแล้วแต่บุญกรรมแต่อาจจะดีกว่าชาตินี้ก็ได้นะคะก็ไม่แน่ไม่มีใครรู้ว่าบุญกรรมเรามีไว้มากน้อยเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หม ด, หม ด, ห, ม ด, ห, มดหมดบุญกรรมมันก็ไปต่อไปรับผลของบุญกรรมที่เราได้ทาไว้ต่อไป คุณละดาวันครับขั้นตอนในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการตายจริงควรเริ่มต้นอย่างไรเจ้าคะอันนี้แหละควรจะฝึกสติทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิแล้วก็สอนใจให้พิจารณาความตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราห้ามมันไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นกับทุกคน คุณใบ ย, ยกครับลูกบอกคุณแม่ว่ายทำจิตให้สบายๆค่ะจิตที่ดีการไปต่อในพบต่อไปก็จะดีคุณแม่เป็นพากินสันมากเกือบสิบกว่าปีแล้วเจ้าขาโชคดีที่ตอนท่านแข็งแรงลูกพาท่านไปกราบหลวงหลวงน่าจะหลวงตาบ่อยๆใจท่านจึงไม่ทุกมากเจ้าค่ะว้าดีว่ดีคุณชัยครับต้นไม้ไม่มีวิญ ญ, ญาณทาไมพระสงฆ์ตัดต้นไม้ไม่ได้ครับ พราะคนสมัยโบราณไม่รู้ไงว่าไม่มีวิญญาณคิดว่ามีวิญญาณเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นก็เลยคิดว่าถ้าพระสองฆ์ไม่ตัดต้นไม้ก็เท่ากับการไปค่าไปค่าต้นไม้ก็เลยตำเนียพระสองค์พระพุทธเจ้าก็เลยแก้ ว, ว่าต่อไปนี้พระสองค์ก็อย่าไปตัดต้นไม้กัล้วให้คนอื่นก็ตัดแทนเราถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องตัดกิ่งไม้ต้นไม้ก็บอกคารวะญาณโ ย, ยให้ไปทําให้ แล้ว ก, กันครับขอรหาครับคุณลิทถาครับตอนนั่งสมาธิควรสวดมนต์ก่อนไหมครับ <c oughs> ก็อยู่ที่ว่าเรานั่ง ไ, ได้เลยหรือไม่ถ้านั่งได้เลไม่นั่งสวดก็ได้การสวดมนต์นี้ก็เป็นการกล่อบใจและเป็นการเจริญสติไปก่อนให้จิตมีสติมากขึ้นให้ใจสงบมากขึ้นพร้อมที่จะนั่งสมาธิต่ตอหน้าก็นั่งสมาธิต่ตอ ตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วสวดมนต์ไปพ่อพ่ ก, กันเลยก็ได้ใช้บทสวดมนต์เป็นการภาวนาไปก็ได้สวดไปภายในใจไม่ต้อง อ, อกเสียงตนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราสามารถให้ดูลมอย่างเดียวหรือให้พุโทโธอย่างเดียวได้เราก็อยุ่ส่วนมนต์ก่อนบางคนต้องสวดเพราะว่าเวลาดูลมก็ดูไม่ได้พุโทโธก็พุโทโธไม่ได้เพราะมัวจิตฟุ้งอย่างฟุ้งอย่างคิดเรื่องราวต่างๆอยู่ก็อาศัยการสวดมนต์เพื่อระงับความฟุ้งไว้ก่อน พอจิตหายฟุ้งแล้วเขาก็เราก็นั่งสมาธิต่อเพราะวก็เราก็ดูลมหายใจหรือพุโทโธต่อไปเลยการสวดก็นั่งอยู่ในส่วน้นั้นท่านั่งสมาธิไปเลยไ ม, ไม่ไม่จําเป็นจะต้องนั่งคนละท่ากันหรือว่าการสวนเหมือนก็เป็นวิธีนั่งสมาธิไปแบบหนึ่งนั่นเองคุณสัมพันธ์ครับขอความกระจ่างทางธรรมครับเราจะทราบได้อย่างไรว่าการภาวนาของเรามีความคืบหน้าดูอย่างไรครับ ดูที่ความสงบของใจเราเถ้าใจเรามีความสงบมากขึ้นความคิดปูดแตกน้อยลงความพุ้งซ่านน้อยลงก็ไปไปถูกทางคุณจันทวันโอครับตายแล้วสามวันเนื้อตัวเหมือนคนนอนหลับไม่ฉีดยาให้ศพมีคนบอกว่าจิตหลุดพ้นแล้วแบบนี้คือความจริงไหมครับก็ดูไม่ได้ที่ที่ร่างกายต้องรอให้เขาเวลา เขาลองกระดูกบางส่วนกลายเป็นพระธาตุนียก็จะแสดงว่าจิดเขาหลุดพ้นแล้วต้องดูที่กระดูกว่ากลายเป็นพระธาตุเนี่ยมยคุณมูลไลท์ครับโดนกิเลสทดสอบมาแล้วเราพ่ายแพ้ทั้งโลกโกรธหลงมาหมดจนเรารู้สึกท้อแท้ที่ยังรู้ทันมันไม่เพียงพอและเบื่อหน่ายการพบเจอผู้คนแบบโลกๆมากค่ะขอกำลังใจในการปฏิบัติต่อครับพระอาจารย์ ก็ต้องสอนว่าเราต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นที่กอไก่เขาไข่จะไปจบปริญญาตีเท่าเองทันทีมันก็ไม่ได้มัต้องใช้เวลาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใจเย็นๆรวมไม่ได้สร้างขึ้นมาภายในวันเดียวการยักค่ากิเลสก็ไม่ได้ทำํำด้วยด้วยด้วยในเวลาวันเดียวต้องใช้เวลาฝึกฝนอบรมไปเรื่อยๆก็อย่าท้อท้ายก็แล้วกัน อันรี้ว่าถ้าเรามีความพยายามไม่ช้าก็เร็วความเฉลี่ยก็ต้องามมาอย่างแน่นอนคุณเจทีครับในสถานะคราวาร่าจําเป็นต้องกราบพระพุทธรูปวิรัตศีลห้าหน้าพระพุทธรูปทุกวันไหมคะและเราควรต้องทบทวนศีลพิจาราว่าไปละเมิดศีลห้าข้อไหนบ้างในแต่ละวันทุกวันไหมครับงการสมาทานศีลนี้ไม่จําเป็นจะต้องสมาทานทุกวัน ถ้าเรามีการสมาทานครั้งหนึ่งแล้วแล้วแล้วเราไม่เลือกรักษาเราก็ไม่ต้องสมาทานใหม่นอกจากว่าเราสมาทานเฉพาะกิจพอชอบสมาทานเฉพาะวันพระอย่างี้วันพระหน้าเราก็ต้องสมาทานใหม่แต่ถ้าเราสมาทานครั้งเดียวแล้วจะรักษาไปตลอดนี่ก็ไม่ต้องไปสมาทานอยู่เรื่อยๆส่วนการกราบนี่ก็เป็นการเป็นสิริมงคลกราบของสูงกราบพระพุทธรูปนี่เป็นการ ทำให้เรานี่มีมีการระลึกรู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมคุณสังคุณการกราบนี่เมื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระคุณของท่านว่าเป็นอย่างไรไม่ใช่กราบเฉยๆถ้าการาบเฉยไม่ก็ไม่ต้องหยับม่กราบไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกราบแล้วให้เราถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครพระธรรมคำสอนพระจ้าท่านสอน อ, อะไรอย่างนี้ถึงเรียวกว่ากราบจริง การเพื่อเราเล็กถึงพระพุทธพระธรรมพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ควรจะกลาวบ่อยๆว่าหล า, หลายหลายรอบได้ก็ดีคุณนิชาพัครับสามปีที่ฝึกนั่งสมาธิมามีครั้งหนึ่งมันไม่รู้สึกเลยว่านั่งอยู่ไม่ปวดไม่เมื่อยพอลืมตามามันโล่งสบายแปลกๆและครั้งเดียวจริงๆที่เป็นแบบนั้นไม่เคยเจออีกเลยเจ้าขา่ามันคืออะไรคะก็คือความสงบนั่งเล คุณเล็กครับการที่เราฝันแล้วเห็นเราในฝันเหมือนเราไปรวมรู้สึกตัวตลอดเวลาค่ะอาการเหมือนกับเรานั่งสมาธิตลอดเวลาว่างแล้วก็เบาค่ะต ล, ตลาดหลับและตื่นค่ะเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาก็ว่างค่ะเห็นการเกิดดับอันนี้ปฏิบัติถูกต้องแล้วใช่ไหมครับถ้าใจเราว่างก็ถูกปฏิบัติเพื่อให้ใจเราว่างใจเราไม่วุ่นวายไปกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้น คุณสมรักษ์ครับหนูเพิ่งฝึกนั่งสมาธิแล้วลมหายใจเริ่มเบาจนจับไม่ค่อยได้แล้วจู่ๆรู้สึกกายเบาจิตเบาสะอาดสะอา้านเหมือนไรม้มนทิมสุขแบบไม่เคยสุขมา ก, ก่อนรู้ร่างกายชัดขึ้นรู้ลมชัดขึ้นแบบที่ไม่ต้องใช้กำลังในการดูเพราะมันเด่นชัดเองออกจากสมาธิมาเดินทางานก็ยังโล่งสบายมากรู้กายชัดลมหายชัดชัดใจลมหายใจละมุนนุ่มมาก แบบนี้คือปีติหรือว่ากายะละหุตาจิตะละหุตาละคะเราควรจะดูสภาวะนั้นเฉยๆหรือปล่อยให้เสพสุขเอาพลังสมถะไปเลยคะช่วงหลังพอแยกรูปนามได้เห็นกายที่นั่งไม่ใช่เราอันนี้คือเป็นสมถะอยู่ใช่ไหมครับถ้าแยกร่างกายก็ยถือว่าเป็นวิปัสสนาะเป็นปัญญาเป็นความรู้ส่วนถ้าใจสงบว่างเย็ยนสบายก็เป็นสมถะเป็นสมาธิ คุณขวัญชัยครับเวลานั่งสมาธิไปสักพักแล้วเหมือนกับตกจากที่สูงลงมาทําที่ต่ําแล้วนิ่งอยู่สักพักพอออกจากสมาธิแล้วรู้สึกปิติอยู่สองวันเกิดจากอะไรครับผมแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นอีกเลยพยายามอย่างไรก็ไม่เป็นอีกครับาเกิดจากการที่เราได้ผลจากการนั่งสมาธิหนึง่งเกิดจากการความสงบของจิตที่ไม่เกิดอีกเพราเราไม่ทําต่อเราต้องทําต่อไปทําไปทุกวันแต่ไม่ทางจะไม่เกิดทุกวัน เพราะบางวันเราอาจจะทําไม่ถูกสติเราอาจจะมีน้อยมันก็เลยไม่ได้ผลแต่ไม่ควรจะหยุดทำเราควรจะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไม่ชา้าก็เลยมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้คทํามสไตล์ครับพระอาจารย์ครับที่บ้านมีแต่รูปหน้าพระพุทธรูปแล้ววางไว้เฉยๆเป็นเครื่องประดับวงเล็บก็คนยุโรปมีบาปกรรมอะไรไหมครับไม่มีเนาะเพียงแต่ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่มีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านของเราเท่าั้เอง พระทุเมีไว้เป็นการให้เราเตือนสติให้เรารลิถึงพระพุทธพระธรรมพระสงค์ให้เกิดให้ให้เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเราจะได้ปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงค์ท่านล้วเนี่นี่คือความหมายของการมีพระพทะุเรไว้ในบ้านเราวันนี้คําถามเยอะมากเลยครับอาจารย์อ่านไปได้ถึงสามทุ่มเท่านั้นเองครับคนที่ถามมาหลังสามทุ่มไม่ได้ถามให้นะครับต้องขออาภัยด้วยนะครับหมดเวลาซะก่อน โ อ, อกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนเพื่อนฟังธรรมอยู่ใน f a c e b o o หนึ่งพันสิบแปดคนครับใน y o u ู u หก6้อยหกสิบเก้าคนในครับเ้าแปดคนครับมีเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนฟังธรรมอยู่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบห้าคนครับอาจารย์ครับก็น่ามากมาอาจจะเป็นเพราะว่าหัวข้อถูกใจคนนคนอยากจะรู้เรื่องความตายก็ดีเพาเป็นเรื่องของคนคนที่ชอบความตายที่ชอบศึกษาวความตายขาเขาเรียกกันพวกพุทธิจริตพวกปัญญาจริต พ ว, พวกอยากจะรู้ความจริงบางคนถ้าบางคนกลัวความตายนี่จะไม่ค่อยอยากจะศึกษาชอบพุโทโธมากกว่าบางทีชอบเจริญพุทธานุสตเตยนี้ พ, น พ, นนนพวนี้เรียกว่าเป็นศรัทธาจริตนะแต่พวกที่ชอบความจริงเช่นความตายนี่เรียาเป็นพวกปัญญาจริตหรือพุพทธจริตก็ดีการการ สนใจในเรื่องของความจริงนี้มันจะทำให้หูตาเราสว่างขึ้นแม่นองมองมงายและจะได้ไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆการนที่เวาทำสำหรับคืนนี้นราคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็าขอให้ท่านจงเอามาเสียงที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอะสาธุ ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรเหตุการณ์ขอ้อโอกาสหน้าที่ยากก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยขอจเจริญพรกับพระพุทธอาจารย์แท